ไม่ดูแล้วในกาลเทศะแล้วในกาลเวลาแล้วฟังธรรมปฏิบัติธรรมอะไรก็ระงับไปก่อนทําเป็นใหญ่หมดเออยังเอาชงจิตไปข้างนอกอยู่มันก็จะบรบกวนเดี๋วนี้เรามาชาร์ตแบตเตอรี่ไหมเออมาชาร์ตแบตเตอรี่ชาร์จใจของเรานั่นลยล่ะระวงไว้ก่อนเออ ที่ยังให้ความตนใจภายนอกการที่จะสนทนากันคุยกันระงับไปก่อนทังรู้จักการเทศะเวลาไม่รอเห็นไหมวันนัดไปเที่ยงแป๊บเดียวอะเดนห้านาทีแล้วเเริ่มเลยพิธีกรยังไงยังไงอะก็าการรัศการอาจารย์ที่<ม>รัตรอัตลกคุยครั้งนะครับตอนตอนเช้าเราจะทาบุญดัก บ, บาตนะครับตอนเที่ยงก็มาฟังธรรมเจริญจิตภาวนาครับเราก็ได้สมาทานสีนแล้วก็ เก็บรักษาไว้นะครับจิตใจให้ผ่องใสตอนเที่ยงก็จะริญสติภาวนาให้ถึงพร้อมด้วยทานศีลแล้วก็ภาวนานะครับในระหว่างการบรรยายธรรมขอความภาวณาปิดเสียงเครื่องมือสื่อสารนะครับสําคัญมากนะครับคือไม่รบกวนทั้งตนเองและผู้อื่นนะครับญญเดี๋ยวมาพร้อมแล้วเรากล่าวพระกันก่อนก่อนุญาาธรรมใ น, นระดับต่อไปนะครับ อระหังสัมมาสัมพุทธะพระขวาพุธังพระวันตังอะภิวาเทมิสัคคะโตผูว่าตตาธรมโมธรมมังนมาซามิ สุปติปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโคสังคังนัมามีต่อไปให้ทุกท่านคารมโมสามจบเก่าคำารบรรดาณาธรรมในรอบต่อไปนะครับนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปุทธะพรหมาจารย์โลกาธิวติสหัมปติ กัดอัญชลีอันธิวรังอ า, าจะทาสันติทัศตาประชัขาชาติกาเทเสตุธรรมมังอนุกรรมปิมังปะชัง น, นี่เป็นมคตนัสษาจริงริงไปเลาะก็พยายามฝึกไว้ก็ดีสละพันยะัาถาสูตรมันก็หนะ้าสามสี่นหละ ผมมาจารุกะทิปติสะหมปติอเนี่ยห้าคำสามคำแล้วก็สี่คำเอื้อนเนะ่ยมันลงว่ดอันนี้มันเป็นร้อยโกงเอี่ยมันเราขับมันเราก็สูตรมันห้าสามสี่ นับตัวหนังสือไปเนี่ยพรหมจารุกะธิปตีสามตัวนะสะหัมปตีนะสี่คำนะฝึกมันห้าสามสี่มันลงเฮ้มันจะถ้ามีสูตรแล้วมันก็ไปง่ายถ้าไม่ีสูตรก็จะไปยากถ้ารู้สูตรมันก็ไปง่าย เ, เป็นสรพัญญะเพราะมัน <c oughs> เป็นเบ่งเป็นช่องช่องช่อ ง, องกลางอันนี้เป็นบทประพันธ์ ถ้ารักษาไว้สี่สีเหมือนเดิมยังเหมือนสี่สีเหมือนเดิมมันยังลงวักเวลาขับอ่ะสนามยานอ่ะถ้าไม่ฝึกไว้หายหมดเลย้ะก่อนหลวงปู่หลุยนี่จะขับไปเลาะยาดีวาตานะหลวงพ่อเพลงวัดทำกองเพลงอะไรเงี้ยขับพรามาม้าหลังนี่พอเป็นร่วงไปแล้วหายมัดไม่ใครสืบเนะ ยาเดวตาสันติวิหาลวาวสินีทูเปกเรบโบทิกเรตหิงตะหิงเนี่ยห้าสามสีู่ตรมันไม่บอกเลขนะ <laughs> พูดเลขอะหูผึงอยู่เลยเดี๋ยวนี้สูตรขับของสารบัญญาันมันจะมีสูตรของเขาแต่ว่า ถ้าไม่สอนกันไม่บอกกันก็จะไม่รู้แล่ะมันก็จะยากหน่อยเพราะเราท่องได้อย่างนี้นะไปเนี่ยไปใช้เลยจะไปขับไอ้อันเจิญเทวิไอพระประิษตก็ได้กระสีสี่แต่ว่าอัลลาธรรมนี่ห้าสามสี่เพราะว่ามันเป็นร้อยกองวักมันจะลงบนันนั่นแหละเราไปทํานง่ายก็จะขับง่ายอะไรเงี้ยต้องเรียนรู้ไว้ <c oughs> จะไปเลาะ <c oughs> นะ วันนี้เป็นวันมงคลดีของชาวโทรค ม, มนาคมก็คือสื่อสารนี่แหละถึงกันอยู่ไกลไหนก็ถึงกันให้รู้เหตุการณ์บ้านเมืองแนละความเป็นไปสำคัญอันนี้ก็เราก็จะสื่อสารตรงธรรมะคำสอนพระเจ้าเนี่ยเข้าสู่จิตใจของเราเนาะจิตเราสงบนั่นหละมันก็ไม่แปดมื่นสีพันธมนาวขัณนั่น จะไปเอาหมดมันก็ไม่ได้แล้วอันนี้ก็ฉันย่ อ, ม, ยอ ม, มาแล้วเหมือนใบไม้ในป่าใบไม้ในมือเนี่ยในไม้ในมือเนี่ยคือว่าสี่มือสี่เปมือสี่พันธะมาขันส่วนใบไม้ในป่านั้นยังอีกมากมายมากกว่านั้นอีกแต่นั้นน่ะชีวิตไม่พอแก่ความต้องการโดวยวาอะไรใช่อะไรจริงนั่นเนี่ยไม่พอว่ากันแก่ตายก่อนทำไมมันเยอะเหลือเกิน เพราะนั่นธรรมะพระเจ้คัดกล้นมานี่ยทีขึ้นมาเลยไปไว้ในกำมือแล้วย้อนกึ้นมาอีกเนี่ยเรศสีนี่มันใกล้อันนี้เทศการที่เราจะเรียกว่าอาส า, ารหะมาตรนะเดี๋ยวขามนสาใช่ไหมข้ามันสาที่เราให้ความสาคัญเรามาทําบุญในวันเนี้ยองค์กรองค์งงกรโทราศัพท์นี่แหละในกจัดงานบุญขึ้นมาเพื่อมาเตือนใจชาพุทธหรืสาธุชนทั้งหลายเนี่ยอย่าลืมอริยทรัพย์ ธานสมบัติสีนสมบัตพลศาสมบัติอันนี้มันเป็นอริยทรัพย์สมบัติภายนอกเราก็หาอยู่แล้วเนี่คือใครที่มีงานทําอย่างเงี้ยหนะที่ ก, การงานเนีได้ทรัพย์ทั้งหเนี้ยพอได้ทรัพย์แล้วก็จะมาเป็นแปลงไปไปใจสีไปใจสีเนี่ยไหมพระต้องพิจารณาทุกวันจะบริโภคจะใช้สอยตอนเช้ากับปฏิสังขารโยําไม่ได้พิจารณาแล้วก็พอต้องข้ามมาอัชชาอีก อจจาจารมัยยาปเจเิกย์อาชาปีวันนี้ะพิจารณาเรื่องเหล่าเนี้ยไม่ไม่ได้ใช้ไปแบบนั้น ไ, ได้ตัณหาใช้ไปได้วยความเพลิดเพลินใช้ไปได้วยความมัวเมาเนี่ยให้รู้ปัญหาว่าที่เรามาใช้เนี่ยเพราะอะไรทำให้ต้องทําอย่างนั้นเพราะแหละเพราะความไม่เที่ยงเนี่ยบีบคั้นร่างกายจิตใจของเราอยู่นี่นะอมันเป็นตัลักธรรมชาติของมันบกพร่องอยู่เป็นนิดอะ เราจะต้องมาหนุนหลังบำรุงไว้มันอยู่ได้เนี่ยรายการเนี่ยอาหารการบริโภคเนี่ยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยอบอุ่นขึ้นมาเนี่ยมันหนาวเย็นอะไรเงี้ยไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยหรือปกปิดอ ว, อวายวะย่อฟารามอายเงี้ยไม่นุ่งผ้า้มันดูมันดูได้เนี่ยมันเปรียดอ่ะเนี่ยว่านุ่งผ้าให้ดูดีหน่อยอะไรเงี้ยเรียบร้อยนะนั่นแหละ แล้วก็มากระที่พักอาศัยไงหลบแดดหลบฝนฝนตกมาแดดออกมาที่หลับที่นอนอะไรผนพักผ่อนกายาอะไรแบบนี้น้พอทนได้ใช่ไหมแล้วก็เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะมันแนะะก่ชราค่ำค้าไปก็โรคไปใข้เจ็บโรกหูโรกตาที่เรามีนี่แหละตาก็เป็นโรคหูก็เป็นโรคเหมือนเลื้ลตาเนื้อตาโตตาอะไรโรคหูก็หูน้ำหนวกหู หู S <S นั่นนะหูเบาก็เป็นนะหูเบาบอกกับเป็นเนี่ เ, <g ül> เรื่องเหล่านี้เราไปรักษาต้องอาศัยอยู่ตลอดเนี่เรื่องเราก็เพลินเนี่ยเราไม่พิจารณาไหมถ้าเราพิจารณาเราก็จะไม่เพลินเรื่องเหล่านี้แล้วเราจะได้รู้ว่าเราจะมีไข้มีสอยเหล่านี้แล้วมันยังมีอีกข้างหน้าอีกเห็นไพอาะเรื่องร่างกายนี้มันไม่อยู่คงทนถาวรมันจะแตกสลายลงไปก็ไปจารไปเนี่ยจะไปพบไหนภูมิไหนนะเราก็ยังไม่รู้เลยเราเป็นผู้รุ่ชนเห็นไหม เนี่ยต้องเตรียมพร้อมทําให้รู้ในบัดนี้เจะไปสวรรค์ไปสโสดาบันสกิทานาภาลัยเนี่ย น, นะต้องรู้ในตรงนี้ว่าเราได้อะไรเไี่ยรู้ก่ก็หน้าเรามีสมบัติอะไรอย่างเงี้ยนะจะไปแล้วเนี่ยลกหนุหน้ามีเลยไม่ใช่ตายแล้วศูนเพราะนั้นอนะยามอย่างเงี้ยเราจึงต้องมาเตรียมพร้อมจะได้มีอริยทรัพย์เออ มาเบื้งต้นให้เข้าใจง่ายกันเนี่ยมาวัดดูในจิตใจเข้าวัดนี่เนี่ยมีทานไหมมีศีลไม่มีภาวนาไหมให้ไม่มีเรื่องเหล่าเนี้เนี่ยมันตามว่ามาตรฐา น, นเกณฑ์ของที่ท่านวางไว้แล้วเราต้องพัฒนากายวิญ า, จาใจเราให้มีเรื่องเหล่าเนี้ขึ้นมามีขึ้นแลเป็นเครื่องอบอุ่นใจไงเป็นที่พึ่งไงพอเราลึกขึ้นมาจิตใจมันมีเรื่องเหล่าเนี้มันก็ยินใจแล้วคนนั้นอิ่มบุญ น, น่ะเนียินใจก็อิ่มบุญนั่นแหละ ถ้ายิมใจบุญอะไมันก็ทําอะไรมันก็สําเร็จไปหมดทุกอย่างทุกประการถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้มันก็บกพร่องไปในชีวิตฮนะเรื่องนี้นะ่ะนี้เราจะไปดูได้่าเรื่องนี้นเป็นเรื่องของผู้หมดกิเลสผู้รู้แจ้งโลกมาสอนนะมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อยเรื่องไม่สําคัญนะเรื่องสําคัญในชีวิตนบะีจ้าไม่สอนหรอกมันเป็นอย่างนั้นจริงๆมันไม่ใช่ไปแต่โลคกันนี้มันมีโลกหน้าที่ว่าเนี่ยโลกหน้าที่เราสมปรายภาพเนีย่ยต้องมีอะไรอะ่ะ ที่จะเป็นพึ่งไปได้อ่ะท่านก็บอกไว้หมดในในปัจจุบันเป็นประโยชน์ปัจจุบันประโยชน์ภายหน้าประโยชนสวรรว่าเนี่ยเราต้องมาเดินหลักตามนี้เดินตามหลักยศศัตร์ทางนี้มันทางสาเอกเราอย่าถึงที่หมายเพราะนั้นพระเจ้าเทศนาไปแล้วสาวศกศัมมาจาฟังแล้วเนี่ยปฏิบัติแล้วจะเกิดสาวกขึ้นมาครอบสาลัตนะในไม่กี่วันจะถึงนนนเนี่ยวันที่ยี่สิบมันยังสารหามาได้เห็นไหม่ะ เพราะเราต้องให้ความน้ำขัญให้น้ำหนักตรงนั้นเราอยจะทำเป็นพิธีกรรมไปถ้าเราพิธีกรรมไปมันก็จะไม่สาระไม่ได้เกิดสารนะถ้าเรานารึกวันอย่างนี้ตัวเราก็จะถึงด้วยเพราะเราเป็นอมนุษย์เนี่ยได้พบคําสอนพระเจ้ามีบุญมากมีวาสนามากแล้วที่ที่มันบอกพ่อตรงไห น, นเราก็เฉลยว่าอ๋บอบวกพ่อในการปฏิบัติเนี่ยวันนี้เราก็ปฏิบัติเลยนะเอาตั้งใจนะวันนี้นะ ชัดไปนะอย่างเวลามันนั้นก็จริงเลยมันขับไปจริงแต่ว่าเรามันจะสงบเนียมันไม่นานหถ้าเราเคยฝึกมีพื้นฐานมาแล้วเนี่ยตั้งใจกวานโมตัสสะงกวัโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะมังตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะมังตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะ ขอนอบ น, อบนอบ้อมในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าผู้สยามกุนโนคือเป็นผู้ตัดสินเองโดยถูกทวนพรองนั้นอะเสวานาจบาลนังปัณิตานันจะเสวานาติย ม, ม, มัสะธรรมปริยายสะอัทโทสายสมนเตหิสกจังธรร ม, มโททมโสตโบติ มันต้องพนมมือแล้วนั่งภาวนาไปเลยเนี่ยอยาจารย์ก็จะภาวนาไปด้วยเวลามันเบบนี้เราปฏิบัติฟังก็ฟังมามากแล้วหลวงคุณผูกฟันเนี่ยเวลาท่านสอนให้นั่งภาวนาไปด้วยที่ได้ผลเนี่ยที่มาบวชมิสึกกระเพราะนั้นเนี่ยเพราะปฏิบัติไปด้วยอย่แหละท่านก็เทศประเทศนักหน่อ ย, อย น, นะนะนำทางให้เป็นแนวทางท่านั้นเน่ะแล้วท่านก็ย่านั่งปฏิบัติไปไเกิดสงบจิตสงบ ไม่สงบเราก็จะได้เห็นกันตรงนั้นเลยเหนรู้กันตรงนั้นเห็นโทษตรงนั้นเนีบอกพ้องตรงนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นเราจะได้ปรับปรุงแก้ไขที่ยังยังมีชีวิตธาตุขันยังแข็งแรงอยู่เนี่ยไม่ใช่หมดสภาพแล้วค่อยมารู้ตัวเงี้ยมาตื่นตัวเนี่ยมันไม่ทันการทันเวลาทันสมัยแล้วนะนะธาตุขันเรายังแข็งแรงเงี้ยยังเคลื่อนไหวไปมาสะสดวกอยู่นี่แหละมาได้ฟองธรรมแล้วเนี่ยโอเปนโชดน้องเข้ามาเนี่ย ระลึกไว้เนี่ะนะแล้วก็ไม่ต้องส่งมาถึงพุทธเทศนะนะระลึกอยู่ที่ที่ใจเราเนี่ยที่กายเราเนะ่เหมือนเราอยู่บ้านใครมาบ้านใครมาในบ้านเราก็รู้ใครออกไปจากบ้านเราก็รู้นั่นนะนะตรงนั้นเนี่ยมีสติอยตรงนั้นเน่ยเหมือนเราดูถ้าเราไปเข้าหมู่บ้านเห็นไหมเข้าไปว่าเขาจะมีด่านตั้งไว้ใครเข้าไปเขาต้องตรวจใครออกมาเขาก็ต้องตรวจนะฮนี่ตั้งสติไว้เหมือนกันตรงนั้นล่ะ แล้วจิตเราจะสงบเมื่อเราได้สัมผัสสัจธรรมความจริงที่พระเจ้าสอนด้ยอยากให้เราเป็นเนะ่ยให้ป็นสาวกสาวิกาพระเจ้าเนะี่ยถ้าเราได้จิตได้สงบพราะวาทางนั้นน่ะเห็นพระเจ้าเลยเนะี่ยเขาได้เห็นธรรมะคนนั้นเห็นเราจะสาวกคนเราคนได้เห็นเราจะ า, คดดดดาจะดาคดคนได้เห็นธรรมะเห็นไหมเป็นวิยาพจน์ซึ่งกันและกันสาวกวิกาวิกาพระเจ้านะี่ทั้งแต่โบราณการก่อนก็มาเป็นอย่างนั้นแหละจึงได้ มายัางไงในเจริญในพระพุทธศาสนาเนี่ยเป็นสาวกสวิตกาสมักส ง, งผลเน่ะไม่ใช่ไปเรียนเอาจําเอาเฉยๆความจํามันนี่ความจริงเไงถ้าความจริงมันตะ ก, กี้พยายมันชัดลงไปอะเห็นชาดอ๋อยเจ้าสอนสศรษฐธรรมเศรษฐธรรมน่ะทำไมต้องสอนเศรษฐธรรมเราก็จะเข้าใจเพจราะเป็นความจริงจริงเปิดเผยอยู่ตลอดถ้าเราไม่เอากายไปยายใจไปเดินไปตามนี้ไปปฏิบัติไปตามนี้ไปคบหา อันนี้ไปเสวนาใกล้ชิดอย่างนี้นะ่ะกับทำแบบนี้นะ่ะเราจะไม่ได้สัมผัสเลยเราจะไม่ได้เป็นเจ้าของเลยอะถ้าเรามาคบหาเข้าไปใกล้ชิดในนี้ยข้าไปนักป่าเนี่ยเมื่เข้าไปคุณครูเราไม่รู้ยาอะไรเงี้ยเราไปเข้าไปหาคุณครูเนะนะนี่ยเข้าไปตัมมาคารวะไปศึกจ้ายเนี่ยเดี๋ยวมันก็รู้มาฉลาดขึ้นมาเป็นขึ้นมาเห็นไหมสิ่งเหล่านี้เนะี่ยคำว่าอารเจวนาเนี่ยนะสิ่งที่เราคบ ธรรมะของพระเจ้านี่แหละทานสินภาวนานี่แหละถ้าเรามาครอบเราก็จะมีสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาในกายในใจของเราเนี่ยแหละแล้วมันก็จะเป็นทิปพึ่งของเราเออให้เราได้พึ่งได้เป็นเจ้าของแล้วเราจะได้ดับทุกพ้นทุกแก้ปัญหาชีวิตแก้ปัญหาสังคมแก้ปัญหาโลกเพราะคําสอนพระพเจ้านี่เป็นคําสอนที่เป็นผู้หมดกิเลสเป็นผู้รู้แจ้งโลกทั้งสามมาชี้แจงแสดงไว้เพราะฉะนั้นเราอยากฟังแล้วอย่าเบื่อหน่ายนะถ้าเบื่อหน่ายก็แบบ ต้องคายความกระดจินดีไม่ใช่เบื่อหน่ายเบื่กินิตเบื่ออย่างหนึ่งไปเอาอย่างหนึ่งยังไม่ใช่เบื่อไปเป็นโทษเห็นภยัย เ, เบื่อเห็นนะั้ไม่มีที่เอาไม่มีที่หวังมันเป็นธรรมชาติของมันอยู่อย่างนั้นจิตก็ามาหลงมายึดมาถือเอามันเห็นผิดไปเนี่ยนหะลงผิดไปเนี่ยอย่างเนี้ยมันถูกแล้วเบื่อหน่ายขายความกระดจินดีนะจิตมันเป็นกลางเนี้ยมันจึงจะถูกหลักตามคำสอนพระเจ้า เรื่องคำสอนพระเจ้านี้ขนาดว่าสิ่งที่มีอยู่มาสอนอยู่เรายังหลงขนาดนี้นี้ถ้าว่าไม่มาสอนเนี่ยเราจะไม่เข้าใจเลยไม่รู้เลยปฏิบัติไม่ได้เลยแล้วสิ่งที่พระเจ้ากล่าวเนี่ยนะมันก็มาอยู่ไกลตัวเราอยู่ในกายในวาใจาในใจเราเนี่แหละกายกับใจเราเนั่แหละเห็นไหมอย่างอาจตนานะทั้งหกเนี่ยตาหูจมูกลิ้นกายใจเห็นไหมยู่ในรูปร่างกลางนี้แหละนะพอไปพัสสรูป ส, สวยๆงาม ก็ชอบใจยินดีพอใจนะไม่ยินดีพอใจมันก็อยู่ตรงนั้นนะเห็นไหมเสียงฟังเพ้อๆฟังเสียงด่าเสียงแฉ่งเสียงนินทาก็ไม่พอใจนะก็ไม่อยู่กับตรงนี้เลยเห็นไหมเป็นอารมณ์อยู่เนี่ยทาไปคล่องอยู่นะเห็นไหมทไปคล่องคิดทั้งวันเกลียดแค้นโมโหอยู่นั่นแหละถ้าทั้งนี้ถ้าจะทําน้ำผัดเนี่ยเรารู้แล้วมันก็ดับไปแล้วล่ะแต่ถ้าเราไม่ดูสังสารความเป็นจริงเน่ยก็เอามา เราลึกอยู่นั้นเนี่ยมาคิดอยู่นั่นเนี่ยวนไปเวียนมาเนี่ยนะอะไรทําให้กุ้มออกกุ้มใจโดยอารมณ์เรานี่ยนะไม่เห็นใจตัวเองอารมณ์นั้นมันว่ามันหุ้มใจไว้เมื่อเราไม่ระลึกตัดไปเลยพุทโธพุทโธพุทธให้ตั้งมันอยู่อย่างเงี้ยมันก็ชัดนี่พุทธโยพอมันแนวเข้าไปหรือเราณมัเดียวน่ะมันก็สงบสิ่งที่มันมีอยู่แล้วสว่างจะไหวเนี่ยนะมันเกิดขึ้นกายเบาใจเบาอะไรเห็นอย่างชัดว่าเพราะอะไร ขาดการปฏิบัติเห็นไหมขาดการกระทาที่เพันบอกพ้นสอนนะไอ้ชาพูดมันมีแต่อยากได้ไอ้ทางรัดเนี่ยยังไม่ยอมมาพึสปฏิบัติไงเพราะงี้แค่ไม่จันใจช้าอืมจริงๆมันต้องเดินตามหลังนี้ทั้งนั้นเลยไม่มีหลักนี้ไม่เดินตามนี้ไม่ได้จะมาลัดขั้นตอนไม่ได้อต้องปฏิบัติไปตามขั้นตอนนี้แหละเพื่อจะอยปรากฏผลไม่ขึ้นไม้ได้เฉยชมไม่ได้เป็นเจ้าของอะเนี่จะมาพูดทางนี้ เพราะเจอกับตัวตัวของผู้เทศเองทมาอยู่ร่องปู่ปันน่นที่ว่าเล่าอีกครังนั่นเนี่ยมันหลงมาก่อนแล้วไม่มีใครบอกใคร่าในาศาสนานี่ใครก็ยังมีผู้อยู่เบื้องหลังมาค่อยบันดานเนี่ยใครศักดิ์สิทธิ์ไไม่มีปู่มามาโดนบัน ด, นดาลให้ต่างๆนานาคือเราไม่เคยคิดมองมาตัวเองมามาพึ่งตัวเองเอาศัยตัวเองเลยเนี่ยนี่บอท่านพอไปหาท่านท่านท่านบอกตรงๆเลยไม่ต้องลอ้ออนไ้แล้วกายวิยายใจนี่เนีะ่ะ ยืนก็ได้นั่งก็ได้เนินก็ได้เนี่ยลาความชั่วทําได้เลยท่านว่างั้นเนี่ยแต่เราไปทําตามท่านเนี่ยมันก็ดีเลยเราไปทำความชั่วที่เราไปเดินจงกรมภาวนาเ น, นี่ยถ้าเราไม่ทําความชั่วแล้วทําความดีตั้งอยู่ในมรรคพอทำไปเดินทํานั้นพอได้ระยะของมันที่เราบาเพ็ญไปมันก็เข้าที่เข้าทางนี่นี่เก็ปรากฏผลขึ้นมาเราได้เห็นประจักษ์ชัดขึ้นมาเนี่ยจะเทว่าสันติโกน่ะในบทธรรมคุณผู้ปริบัติจะรู้เองให้เอง มันก็ประจักษ์มันได้มาหลอกลวงกันเนะสิ่งที่มันมีอยู่แต่เห็นความบกพ้องของเราเองเนี่ยอย่างที่แกเห็นไหมมามาเห็นที่เร า, เราบกพ้องเวลานี้เราไม่เห็นอย่างนี้ไงพอไม่เห็นอย่างนี้เห็นแพอเราไม่ไม่ไม่ไมไมเป็นความสุขขึ้นมาเนี่ยวิกฤตยิบขึ้นมา เราก็ไม่โทษตัวเองเราก็ไปโทษในวันให้เดือนให้ปีวันนั้นไม่ดีเดือนนี้ไม่ดีปีนี้ไม่ดีใช่ไมเ น, เนียทีนี้วันคืนมันมีอะไรอ่ะวันคืนมันก็มีมือก็แจ้งมือก็แจ้งไม่ได้ดึกดําบนันมี Links ก่อนเราเกิดอีกไงเราตายไปแล้ว s, ก็ เ, เ, กกเป็นอย่างเงี้ยเราเกิดมาใหม่ก็เป็นอย่างเงี้ยเราจะอยู่หรือไม่อยู่มันก็ Grandpa, เป็นของพนอยอย่างนั้นไม่เห็นนอะแต่เราไปโทษนียมันก็สบายดีไปโทษแล้วไม่ต้องมีเจ้าภาพใช่ไหมล่ะพอไปโทษแล้วก็ไม่เห็นที่แก่เลยนี่ไม่รู้แก้ตรงไหน เยอะตัวเองดีแล้วไปแก้ตรงไหนทีนี้เออก็เหมืนที่แก้ไปไม่แก้ทำไมยังไม่ทุกอยู่ล่ะเพราะมันไม่ได้แก้งมันยังมีเหตุเหตุความไม่ดีไงเนี่ยแต่จะทํามือนเราต้องมาละเหตุตรนั้นทะก่อนเออที่ไม่ดีความไม่ดีนั่นที่ว่าละชั่วนั่นนี่เหตุไม่ดีนั่นเราไปละทีก่อนทําไม่ดีไปละทีก่อนวันนี้จะมาเกิดเป็นวิบากผลที่เป็นสุขหรือผลดีนะทานี้ว่าทําดีได้ดี ทำจั่วอะไรจั่วไม่เห็นและสิ่งเหล่านี้มันจะของเล็กน้อยเอยงมาเป็นหัวใจของพุทธศาสน า, สนาอีกนะันไหมสัพ ป, ปาปะสะอาการนงังกุท ร, ระสูระปัสมบดาสจิตตะบระยโยธปันงังเอตังพุทธศาสนาสามอย่างนี้เป็นคำสอนของพทะเจ้าทั้งหลายเนหะ็นไหมฟังดูว่าเป็นคำสอนอพระเจ้าทั้งหลายไม่ใช่พระองค์เดียวหลายพระองค์ที่เกิดเกิดในมันโรคนี้จะต้องตัดอย่างนี้สัดอย่างนี้องค์กลางหน้าสีเมตตโยไม่ใช่มาเกิดก็จะต้องตัดอย่างนี้แหละไม่ใด้ตัด ออกไปจังอื่นเวงแล้วไปอยู่อีกนี่แหลแล้วนี้ตัดอย่างนี้เราก็ได้พบแล้วเจอแล้วแต่ถ้าว่ามันไม่เกิดของเราเพราะอะไรนั่นนะแล้วก็เข้ามาตรวจ ด, ด, ดูวัดดูโดยเหตุว่าความบอกพ้องของเราที่เราไม่ได้เจริญทำตาๆที่มันบอกมันสอนนะั้นเนี่ยมันจึงไม่ปรากฏวิบากผลดีขึ้นมาเราได้เคยจมได้เป็นสกิร์สภยานให้เห็นชัดอะ่ะถ้าเป็นสกีร์สภยานขึ้นมาอย่างที่พ่อแม่กุญาจหรือ สาธารณสุทั้งหลายผู้เจริญได้ทําตามมันก็ทุกคนเนี่ยต้องยอมสิรรักษ์กับพระเจ้าหมดยกชีวิตที่รักมากนี่ถาวายเป็นพุทธบุตชาได้เห็นไหมอย่างหลวงปู่มั่นหลวงปูเ่เสาหลวงปู่เทศหลวงปู่แหวนหลวงปู่พั่นหลวงปู่ทั้งหลายหมาบัวอะไรมาเนี่ยเห็มฉลาดล้ำเลิศทั้งนั้นเนี่ยแต่ละองค์แต่ละคน่ะแต่ละท่าน่ะแต่เมื่อมาพบคำํำสั่งพระเจ้าปฏิบัติตามนั้นแล้วทีนี้ว่าฉลาดฉลาดเนี่ยสู้พระเจ้าไม่ได้หมด ยกชีวิตที่รักมากถวายมากถวายเป็นพุทธบูธชาเลยเนี่ยทงานพุทธศาสนาเชิญวาระสุดท้ายของชีวิตลูกองเลยเห็นไหมหลวงปู่ชาหลวงปูไ่ไรทั้งหลายเลยเห็นไหมนะเราดูนะน่าคิดแม้แต่ยุคปัจจุบันเนี่ยนะักฝรั่งต่างชาตินี่ก็มาเป็นลูกศิษย์เห็นไหมเขาใสวยจหาความจริงอะ่ะพระครับสมจริงแต่ไปจากนั้นได้จอควจริงใครเราสิขาบ้างดูฝรั่งเนี่ยเห็นไหมอยู่ยังแก่เท่ายัง เ, เ, เปลี่ยนเป็นชนชาติใจกับมามายรู้ธรรมะ กว่าคนไทยกว่าพระไทยจะซ้ําอีกเห็นไหมพุทธธรรมเนี่ยกินใจเพราะเข้าใจสัจธรรมไงเอายกย่องไม่แต่โรงเรียนก็เห็นไหมสัญญามติเลยอะ่ะไปนดยมในต่างชาติไมหมนนีะ่ถ้าคำสอนเหมือนเจ้าเนี่สอนให้เรียนให้มีจินธรรมเหล่าเนี้ยกับมูบาวหรือไม่ได้เศรษฐีเห็นไหมพันลานเห็นไหมเขาไม่ส่งไปเรียนเมืองนอกเยเขาให้เรียนอยู่มาเรียนวัดให้ไปพุทธจินธรรมไม่เห็นนะี่เพราะว่าไปเรียนมาแล้ว ไม่ยอมเสียเปรียบเพ่งแก่ตัวแรงน้ําใจไม่เห็นเลยไม่มีให้ทานเออไป ด, ดูนะเขายังจบความสำเร็จไม่ได้ในหลวงร้องไห้กับเหมือนกันหรพระเทพรเท พ, รเท พ, รพระศรีอยุธยาเนี่ยนะเขาเรียนอยู่เมืองใจนี่แหละเขาเข้าหาพุทธศาสนาไม่เห็นเลยพ่อพาเข้าเนี่ยจะลูกก็พาเข้าในหลวงก็เหมือนกันเนนะพอคลองราดเลยประกาศ เ, เป็นพุทธวามกกะจะไว้ตัวเป็น เป็นลูกศิษย์พระพุทธศารนาเนี่ยของพระพุทธเจ้าเนี่เป็นพุะธมามกะเนี่ยถวายต่อตัวต่วตวสอสงฆ์เลยพ อ, พอได้ปกหมวกพองราชขึ้นตอนนั้นเนี่ยไม่เห็นให้ดูดิถ้าจะทําเป็นอะไระเป็นเบ็ดเป็นเยี่ยงเป็นอย่างของชาพุทธทั้งนั้นแหละแต่เราก็มันดูบอกไปหมดดูเป็นพิธีกรรมไปหมดแต่ถ้าทำให้ซาบซึ้งมีพื้นฐานมาก่อนจะไปทําอย่างนั้นหรือ แล้วกมากอ่ะตัวเองไม่มีเส้นทางกันไปดูจูกดูหมิ่นป้องท่านไม่เห็นเลยไม่ร่วงละเมิดท่านต่างๆนานาไม่เห็นเลยถ้าเ่านั้นก็ต้องตั้งอยู่ในทศพิษราชธรรมมีวัดปฏิบัติเออเคนเมืองจากพุทธเจ้าเนั่นแหละแอะไรสิบประการหนึ่งของพระราชาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามนั้นหละแต่เนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่เป็นพระของสูงแล้วไม่พฤตธรรมเลยไม่มีอ่ะ ต้องพุธทธธรรมอยู่ในธรมันยังเป็นที่เคารพยําเกรงที่นับถืออะถ้าไม่อย่างนั้นก็ไม่มีใครยอมรับนับถือหรอกเพราะมีคุณความดีแล้วท่านก็ไม่ได้ปรารถนาอยู่แค่สมบัติมนุษย์โลกนี้หนูนท่านก็หมายมั่นปั้นมือนน่นจะไปพุทธภูมินี่นแหละปรารถนาสูงไปพระเจ้าเพื่อจะมาเทศนาสั่งสอนพาพวกเราออกจากพวกมรรคทุกนี่แหละให้เราพาเข้าใจอย่างนั้นนี่เราเป็นเจ้าพุทธเราจึงจะได้สาระเกินสารในชีวิต ไม่งั้นรนี่ยมีการวิจัยที่เป็นของดีก็ไปพราดไปจำเป็นเรื่องไม่เป็นรูปเป็นพายไม่ใชเป็นเรื่องเป็นราวในในสังคมที่เราเห็นอยู่นั่ น, นแหละแค่พื้นๆอยู่เนี่ยก็ยังแยกถูกแยกผิดไม่ได้กิน ด, ดูนะเด็กมาเรียนสูงมาเรียนเพื่ออะไรเนี่ยยิ่งเรียนจบสูงๆมาจะตีตมเมย์โตเมย์เอกเอกตาเดียวเหหลวงตาว่านเน่ยมันเอกแบบนี้เอกตาเดียวนี่มันจะเอกสองตามาตีตามิดไปข้างหนึ่งเนี่ยไม่จะเอก เอกแบบนั้นไม่เอาแล้วตัวเอกต้องอีกสองตาเนี่ยเห็นตามมาเป็นจริงดิอันนี้มันไม่เห็นตามมาเป็นจริงไหมฮะออมาคบหาถึงที่มันดีเหล่านี้เป็นมิตรเป็นน่าหน่ายเป็นมงคลในสูงสุดแล้วแต่เราก็ไม่ไดเอามาใช้เกิดประโยชน์อ่เออใคร้ชิดนะ่ยดูเนะเมืองกุทเนะ่ยแต่คนที่อยู่ต่างชาติต่างเวลานเขาก็มาอยู่ไม่เห็นนะ่ยเขาไม่ออกไปเลยไม่กลับบ้านกับเมืองก็เลยเ อ, อมาทํางานพุทธศาสนาเนี่ ที่แจงสแสดงกัเราเห็นอยู่นะเป็นตะกี้พยานอยู่นั้นแหละนั่นพออะไรเราต้องคิดนะถ้าไม่มีอะไรถึงที่ระลึกในจิตใ จ, ใจเขาเนะสามารถปราบกิเลสในจิตใจเขาได้เขาจะยอมตนขนาดนั้นหรือเขาก็มีความรู้ความเลรตมั่งมีที่สุขอยู่แต่เขาก็เสียสละหมายนะมาอยู่ในเพศล่ำกาสวัสจนสุดท้ายไปแดนในชีวิตเมย์เ น, นะ่ยจนแก่เต้าไหมเห็น ด, ดูนะนพวกเราจชาวพุทธนะควรจะมองคิดให้ลึกๆ แล้ย้อนไปนะแน่ในวันสําคัญที่ว่านี้ด้วยที่เกิดสาวกขึ้นมาเห็นตั้งแต่เดิมเล่นมาเห็นไหมจนถึงปัจจุบันนี้ก็ยังคงเส้นคงวาอยู่เหมือนเดิมอยู่เนี่ยถ้าเดินตามถูงทาร์นะตั้งแต่นี้นั่นหมายเราจับต้นคำหมายอธิบายได้จับปลายคหาต้นได้นนเนี่ยคําสอนพระเจ้ามเมย์ตรวจอบเช็คดูได้ไม่ได้มาหลอกลวงต้มตุนกั น, นเวลานี้นะที่วันนี้นั่นเราจึงเห็นความหมกพุ่งของชาวพุทธคือไม่ปฏิบัติ มีแต่อยากได้อย่างได้เพราะทุกหน่อยก็ไม่เอาแล้วเนี่ยนะมันหนีจากหลักอริยสัจไงทุกขรังอริยสัจจังทุกเป็นของจริงอย่างประเสริฐทุกเป็นของควรกําหนดรู้ทุกเป็นของควรศึกษาเห็นไหยแล้วเราก็ไม่ศึกษาแล้วเราจะรู้ความจริงได้ไงอะอะไรเ่อทุกอะเกิดนเป็นทุกแก่ก็เป็นทุกตายก็เป็นทุกเนี่ยนะมันก็อยู่ในรูปร่างกลางตัวเราเนี่ยที่มันนั่งอยู่นี่แหละใครไม่แก่ม้างนั่งอยู่นี่นะ่ะ ใครไม่เจ็บชราค้ำค้าบ้างใครไม่เจ็บไขได้ป่วยบ้างไม่มีเนีเป็นทุกข์ทีนี้เป็นทุกข์เพราะโดยหลักธรรมชาติของมันเองไม่ต้องใครมาเบียดเบียนเนี่ยมันก็เป็นของมันโดยธรรมชาตินั่นนะเนี่ยเราก็ต้องเนี่ยเราต้องมาแก้ไขบรรเทาอย่างที่ว่าปัจจัยสนั่นนะเข้ามาเกี่ยวข้องให้มันบรเท่าอยู่ได้อทีนี้มันยังมีนะนี่ทุกข์กายเป็นกัจจะแก้ไม่ได้หรอกมันจะมีอันหนึ่งเองทุกข์ใจนี่ใจตัวเนี้ย ที่มันทุกข์เพราะอะเพราะอุปทานตัวกรรมายต์รูปร่างตัวนี้เป็นเราเป็นของเราไงท่านยังว่าพิจารณาแก้ไขเนี่ยในผมขนและฝันหนังเนี่ยพิจารณาไปเนี่ยหรือมูลกรรมฐานเนี่ยสอนพระไม่เห็นเลยสำคัญไม่สำคัญนะสอนก่อนสารสนาในศีลก่อนสารสนาในศีลเองเนะถ้าอุปชาไหนไม่สอนมูลกรรมฐานนี่นะได้ทำลาย มักผลวัตถิภัณฑ์ของคนละบุตรนะคิดดูนะเห็นไหมไม่เหมาะที่เป็นอุปชัยยะเนื้ออุปชัยยะต้องสอนนี้แล้วก่อนมูลกรรมฐานให้ท่านกับเวลาที่มาบวชนั้นเนี่ยแต่ที่จริงมันมีมากกว่านั้นเน่ะแต่ท่านย่อเขามาเหลือห้าเองนะผมคนละฝันหนังเลยะทีนี้เรามามองดูนี่เรามีผมไ้มล่ะเนี่ยที่นั่งอยู่นี้เน่ะทุกคนก็มีนะเบื้งหน้าปกหน้าผากเบื้งหลังปกปลายและต่อยนี่นะเป็นเต้นเต้น่ะนะเบื้องขวาก็มีบมกหูน้องสอข้าง นี่แหละเกศาเนี่ยเป็นหญิงเป็นชายหมไม่เห็นมีมีแต่ขึ้นมาเป็นเช่นนี้นี่นะพอแก่ไปก็งอกขึ้นมาไม่เห็นเลยไม่อยากก็เป็นงอกก็งอกไม่เห็นพรความอยากเลยนะไม่อยู่ที่รูปรูปของผมแต่มันอยู่ที่ใจของคนนี่ไม่เห็นเลยถ่ารู้นั่นแหละเพราะอะไรพอมายึดเปไปของเราเป็นหญิงเป็นชายเรียกว่าสวยไม่สวยชอบไม่ชอบเห็นไหมมันเป็นที่ตัวจิตใจตัวี้ที่ดิ้นรนนี่เนี่ย ตัวนั้นเนี่ยตัวร่างกายก็กกไม่ได้ลรนหลอกเกิดขึ้นก็ต้องอยู่ก็ดับไปเป็นธรรมชาติเขา อ, อย่างนั้นเน่ยจะรู้ก็เป็นไม่รู้ก็เป็นจิตนี้นะีะยแต่ธาตุในนั้นเขาไม่รู้วัตถุธาตุก็ไม่รู้เขาเป็นอมยวกริจตั้งเป็นกลางๆอยู่อย่างนั้นน่ยนั่นแหะพเรามาเพลงพิจารณาจิตก็เราก็จะเห็นสจธรรมความจริงเลยเนี่ยเนี่ยปัญหามันจะละได้ว่ามัไม่ใช่ตัวที่ตนนะ่ะว่ามันเปลี่ยนแปลงไปจิตจะได้ไม่ไปอารมณ์ไปกับเขาด้วย มันตั้งอยู่เป็นกลางเนีนะ่มีสติระลึกได้สติประลึกได้สมัมปชัญญะไปรู้ตัวรู้ว่ามันไม่ใช่หญิงไม่ใช่ชายไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่บุคคลไม่ใช่เราใช่เขาเป็นสภาวธรรมยอทธาตุเกิดขึ้นแล้วตกอยู่ในหลักไตรลักเอ์มีความไม่จีรังยั่งยืนแปรปวนอยู่เสมอเป็นทุกข์มีความาวิบัติสิ้นไป ทุกข์มาเฉื่อมไปตลอดแล้วก็มาอยู่ในบังคับบัญชาไม่ใช่ตัวใช่ตนเไม่เห็นเะยบังคับไม่ได้บังชาไม่ได้แสร้งพิจารณาอย่างนั้นนี่เด๋ยเราก็ไม่ทิพพิจารณาเห็นไหมสิ่งที่มันมีอยู่แต่เราไม่พิจารณาพอพิจารณาจิตมันก็มาหลงนี่มาถือตัวถือ ต, อ ต, อตอนเลงมาบังการนี่แต่มาพิจารณาอย่างงี้มันก็จะเห็นพอเห็นตลอดจังเวศไม่มีอะไรเอาได้ได้อย่างเงี้ยอือจิตมันก็จะ สงบเข้าไปเนยรวมตัวเป็นหนึ่ง น, นเน่ะนั่นแหละให้ทําอยู่สองอย่างนี้เนี่ยปัญญาให้เกิดเนี่ยปัญญาอารมสมาธิพอพิจารณานั้นเนี่ยมันเกิดจิตตั้งบเข้าไปสงบก็มีความสุขพอจิตสงบไปแล้มันจะเห็นชาติได้ให้ตัวเองอะ่ะแล้วมันก็มีบาลีมารับรองด้วยเหมนะนัตติสันติป ร, รังสุก ข, ขังสูกอื่นยี่ว่าจิตสงบนี้ไม่มีฟังดูที่ว่าไม่มีเห็นไหมเพราะคนในโลก ไปหาของของที่ไม่มีมันก็เจียเวลาจนเหนอยเปล่าอันนี้ของที่มีแต่เราไม่หาแรกเป็นคําสอนก็ไม่ใช่คําสอนของเด็กน้อยหรือว่าอะไรนะไรกะมันเพื่อเจ้าปู่รู้แจ้งโลกทั้งสามแล้วได้ผลมาแล้วนู่นน่ะผลิตสาวกสามิกามมาเต็มโลกเต็มแผ่นดินแล้วที่มาตัดจอนี่นะ่ะเมือเราจะไปดูเบาได้ยังไงเราไม่ให้น้าหนักได้ยังไงเรา ถ้าคิดอย่างนั้นนี่เราจะได้มีกําลังใจจะได้ไม่เลวไหลเพราะพระเจ้าเรานั้นนะ่ะไม่ใช่บุคคลธรรมดาสามโลกธาตุนี่เทวดาอินทรีย์ต้องกราบย่องย่องเมดต์เขาว่า เ, เลิศจริงๆอ่ะไม่ใช่เลิศโดยราธรรมชาติไม่ใช่เลิศมาแบลสิ่งสันปั้นแตง่งที่ท่านสร้างบา ร, รมีมาปฏิบัติตอนเย็นได้สิ้นกินเลสแล้วจึงมาสอนพวกเรานัเนนะี่ะเออเดี๋ยวดไปตัวหนังสือในพุทธคุณนั่นนะ่ะ อย่าได้สวดไปเฉยๆว่าไปเฉยๆจบไปเฉยๆเราลึกไปเราจะทราบซึ้งน้ําตาไหลนี่นี่พรพุทธคุณเน่ะคุณครูคได้เจ้าอ่ะเรามาเจอได้อย่างไรมาพบได้อย่างไรแล้วเราได้มาปฏิบัติได้อย่างไรนี่นะมันทราบซึ้งจริงๆนะเฮอจริงๆเราเป็นไปด้วยสงบไปด้วยแต่มันน้ําตาร่วงเลยล่ะทราบซึ้งนะไม่รู้ลืมเลยล่ะนีะ่คุณอาจารย์เห็นไหมขนาด ร้องให้ก็ขึ้นน้ำตาเลยก็ขึ้นเแต่ว่าไม่ใช่ร้องให้แบบโลกนะมันเป็นได้ยังไงที่ล้งตาเป็ น, นไม่เห็นนั่นนะที่ท่านน้ำตาไหลสะอื้นวอะไรนั่นนะอย่าไ ม, มองแบบกีฬาแบบโลกนะนั่นะมันแบบแบบธนะแต่ว่ามันไม่มีเครื่องแสดงออกอะมันต้องอาศัยชาติถันของกิเลสนี่แหละมันเป็นทางโลกอ่ะแต่ถ้าอาจาจันเนี่ย ที่เขาไปพบแล้วเจอแล้วนเนี่ยสิ่งเหล่านี้นะมันไม่ใช่ตัวหนังสือไม่ใช่พันธะชนน์นะมันเป็นความจริงในจิตใจตัวเองนะอมันเป็นอย่างนั้นนะพอพี่นะเห็นแล้วเนี่ยมันก็ไม่ใช่หลอกลวงกันนี่ไม่ใครมาให้การเรียนกันได้อ่ะพอเห็นอย่างนั้นมันชัดเจนอยู่งน่ะไม่ที่เอาอ่ะจิตมันก็บ่อยวางอะไรเนี่ยก็รวมตัวเป็นหนึ่งเข้าไปเลยเอ็กังจิตจังเลยเนี่ย ผู้ใ ด, ดเห็นเราผนะู้ใดเห็นธรรมผนะู้ใดเห็นธรรมผนะู้ใดเห็นเราไมนะ่เห็นนอเป็นสะกีพยาเนะี่ยทีนี้ไม่รู้ลืมเลยเขยันเนี่ยยนเดินยักรมนังนะ่งภาวนาบาบรีกัโตอะเนะี่ยภ า, า, ากัโตบารีกโตทำให้มาพาาให้ามันก็จะเกิดขึ้นเนะี่ยพอเห็นที่สงบนเงนียบมันก็อยากเดินยังกรมอยากนั่งสมาธิอะไรเงี้ยเข้าไปหาความสงบนี่นะคําพัดในเรื่องเหล่านี้แหละ คปฏิบัติมเป็นอย่างนั้นเนี่ไม่สนใจภายนอกเลยล่ะอะไรอื่นมันแค่อาศัยไปมพนั้นเนี่ยปัจจัยเนี่ยนะปัจจัยปัจจัยอะแค่อาศัยเท่านั้นเนี่ยเห็นหมดเนี่ยเพราะอะไรเกิดมาก็ไม่ได้หาผลคนอะไรมาตายไปก็เห็นอะไรไปทั้งอย่างเดียวมีจิตดวงนี้ยบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์ถ้าบริสุทธิ์มันก็ไม่ต้องมาเกิดไม่บริสุทธิ์มันก็พาเราไปพราะผมที่มีอยู่แล้วสรตรีจานเปรตสุรกายสนนรกเนี่ยมีอยู่แล้วนั่นแหะถึงไปลบล้างก็ไรเลยลบปากคำพูดเท่านั้นเน่ย แต่กาทำนั้นหม่กระทบกระเตือนตั้งน่อยหนึ่งยังมีอยู่เหมือนเดิมอย่างนี้เทวดาที่เกี่ยวข้องเดี๋ยวหลวงพ่อเจ้าคุณเหลี่ยมพูดเมื่อเช้าเนี่ยเกี่ยวข้องกับเราเนะนี่พระเจ้าก็ไม่รับร่างเลยนะะจ้าตุ้มทั้งสีทิศอ่ะเท้าเท้าวันรุนเท้าวันอะไรยักษ์อะไรเงี้ยนาคอะไรเงี้ยคุมตั้งสี่ทิศไว้อย่างนี้ก็มีอยู่ไม่เห็นนะเกี่ยวข้องมนุษย์อยู่นะก็มีอยู่นะเนี่ยเห็นไหมนะดาวาอนะเนี่ ชาวาเนี่ยก็มีอยู่ไม่เกี่ยวข้องม น, นุษย์ไม่เห็นที่เราสวนในธรรมจักอ่ะจะเตือนมาธรรมะประเทศเราจะเตือนไปหกชัน้นที่จริงมันมีสิบหกชัน้นนะแต่ในครั้นี้หกชั้นก็คือในกางในการมะพภมนุษย์อยู่ตรงกลางธรรมะชาติมนุษ ย, ย์ ก, ษยก็คือสตรีจารย์เปรตสุรกายตนนรกเป็นห้ายัไางไงไอ้นี่เทวดาหกชั้นอีกก็เป็นสิบเอ็ดในการมะพภนี้มีสิบเอ็ดภูมิซอนมิติอยู่นี่แหละ เห็นไหมน่ะท่านไม่หันรับล่างแต่เราเกิดมาเจ้าหลังเนี่ยเอาความรู้สึกเราเรารับร่างเหมือนโดยเราไม่มีเครื่องมือไม่เห็นไม่รู้นี่แหละมันเลยทําให้เป็นเรื่องเหลือเชื่อหรือไม่เชื่อไม่เชื่อไม่ใช่ว่ามันไม่มีมันก็มีอยู่เย่างนั้นเลยแล้วแต่อใครปฏิบัติตามพระเจ้าก็ได้ถึงแน่นอนเพราะของมันมีอยู่มันไม่ได้มาหลอกมาลวงได้อะไรพระเจ้าเป็นถ้าไม่บวชเนี่ยเป็นจักรพรรดนู่นเหร เ ด, ดียมบวชดูนี่ตบัติก็ไม่เอาเลยเนหะ็นไหมเห็นไหมนางพิมพาอายุไอ้พระราหุลมาขอสตำรวจต้ตงสามครั้งอะเอาจริงๆหรือเอาจริงจรงเนยแม่ให้มาขออยากเสด็จพ่อพระเจ้าตาด้วยก็ไม่ให้ฟังเงียบไปบอกอะไรก็ไม่ให้วันที่สองอีกมาขออีกก็ไม่ให้อีกวันที่สามมาขออีกพาไม่บวชเลยไม่เป็นลูกศิษย์พระเอสารีบุตรไม่เนะี่ย เป็นอุปชาแ ย, ยบุตรให้เด็กเจ็ดขวบทํำมาเพียนไปเท่าไหร่ก็ทาเร็นเป็นพระาราหันน้อยอายุนะก็ไม่เห็นสมบัติตั้งโลกอะถ้าว่าสมบัติทั้งโลกมันดีก็ต้องให้ลูกชายดิทำไมท่านไม่ให้อะ่ะหน้าคิดนะบัดพระย่าหนึ่งงดงามเลยหรถ้าควรจะเป็นแบบเป็นคติพวกเรานะนะเนี่ยเนี่ท่านมาให้สมบัติอันนี้เราเนี่ยเพราะอะไรอะ มันเป็นสุขในปัจจุบันด้วยมันไปข้างหน้าด้วยสมบัตินี่นะเราปฏิบัติไว้ในกายในใจเรานี่นะธรรมบัตร อ, อื่นนี่ผมหมดลมก็คือในเป็นดินหมดนะยเราเกิดมาก็ไม่ห้ามผลก็เลยมาทักอย่างหนึงอนะมาถือก็มาติดกระเพาะบุญเราะกุศลนั้นนั่นแหละชั่วคราวใครที่ฉลาดก็มาบริหารใเป็นทางของมรรคใครไม่ฉล า, าดก็ไปในทางของมิจฉาทิฐิก็เป็นไม่ออกอ้อนเนนามรรคเนั่นแหละ โลกไปเป็นรธรวมดีก็เป็นปิดไปก็เป็นจาเดชทุก เ, เ, เดเวนเดชภัยนั่นแหละคือใครมาตลาดก็มาทํานี่เราเห็นอยู่นั่นแหละนี่แหละมาเลี้ยงพระเจ้พ า, าพระสงฆ์ตลาดพอเราทําถูกปุ๊บเงินนั่นแหะมันมาจำมากํจาจัดกิเลสเราเนี่ยความโลภความจรลยะความตนีเนี่ยแน่นในจิตใจออกไปไงความที่คิดเห็นว่าเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยความเสีเยเปีเยบอ ะ, ระไรเงี้ยถตาคิดเราเสียเปรียบไปทําให้ได้เะ อันนี ana, ้พระอานาจเมตตาทำรักตัวรักตนรักกุบาจารย์รักศาสนาเนี่ยอตลอดรักท่านรำบำลงท่านไว้เนี่ยก็จะมีพูดทําตัวอย่างแบบอย่างให้เราเนี่ยหรือท่านปฏิบัติเนี่ยชอบก็รู้ทํางานตัวเจ้าก็จะมาทอดเทนบุญคุณค่าให้เราเนั่นแหละเราเลี้ยงกันไว้อ่ท่านก็ให้แต่เราให้ให้เป็นวัตถุเสืนแบบอันนี้ผ้าเห็นไหมเทียนอะไรเนี่ยป็นวัตถุจับต้องได้อ่ะแต่ท่านให้เนี่ยให้อะไร ให้ปัญญาเนี่ยให้ธรรมะเป็นฐานย่อมชราจะให้ทั้งปวงเห็นว่าจุดไปก็เปื่อยไปหมดไปทิ้นไปถ้าเทียนก็สามเดือนก็ละลายไปหมดแล้วเนี่ยเห็น ไ, ไหมเรือหารก็มือเดียวก็ย่ำย้อยไปหมดแล้วหกชั่วโมงก็เป็นขี้เป็นเยี่ยมไปแล้วไปตามไครไปสัมมิพิพานตรงไหนเห็น ไ, ไหมแต่ว่าธรรมะเนี่ยไปอยู่ในเจใจเราเนี่ยโอ้ยออกเนี่ยดอกออกผลตลอดเนี่ยคุ้มครองเราไม่เป็นโทษเป็นภัยไม่เลยาอเรา ละจั่วได้เราก็ปลอดภัยตลอดนะที่เราไปชีวิตยอยู่ <c oughs> เกินไว้ไปมานะทําอะไรก็เจริญนุ่งเรืองนะนะั่นเนี่ยวันแล้ววันเล่าเดือนแล้วเดือนเล่าปีแล้วปีเล่าองมิแต่อกงามไปบูร์ไปเรื่อยสมบูรณ์บริบูรณ์ไปเรื่อยนะนะี่กินไม่หมดใช้ไม่หมดอนะเรื่องเหล่านี้นะนั่นเะนะี่ยท่าเลิศประ ก, การให้ทั้งปวงธรรมะนะให้ความฉลาดแล้วนะี่ะให้เราพานเข้าใจอย่างนั้นเพอ มันพึ่งกันไปอย่างนี้แหละไม่ใช่ว่านั่นทีนี้พรเราถูกต้องเราก็เมตตาตัวเองปวดตัวเองด้วยเนะี่ยไม่ใช่ให้พระมาปวดมาปวดเราไม่ปวดตัวเองก็ไม่ได้นะถ้าหยิบยื่นความดีให้แต่เราไม่เอาเห็นไหมมันก็ไม่ได้แล้วที่พรเอาไปพเพื่อปฏิบัติมันก็เป็นขึ้นมีขึ้นเลยของไม่มีมีอยู่อ่ะ เนี่ยพอไปฝากรูปฝากหลานฝากเพื่อนมันก็ได้ของดีกันขนมอร่อยอันเด็ดอรอ่ อ, นน อ, รอยกลับไปบ้าไนไปแจกให้เพื่อนในฝูงให้พ่อให้แม่อย่างเงี้ยอันนี้ทํามากนี่็ไปขวากเพื่อนฝากพี่กวางน้องไปแนะนําให้เขาปฏดีนะมันก็อยู่ในคนดีผาสุขไปแก้ปัญหาคนไม่ทํามาชั่วต่อกันมันก็ไม่บียดเบียนกันเนี่ยเป็นที่มาของความสุขไหมนเนี่ยอมยาประจังสุขขั้งโลเกความไม่เบียดเบียนกันเป็นสุขในโลกไมเนี่ถ้าว่า ไม่มีทรรมะเลนะมันก็เบียดเบียนตัวเองด้วยเบียดเบียนเราด้วยพราอยู่ด้วยกัน่ะทับกระเตือนกันไปหมดเนี่ยคณะกรรมการรักษาศีลรักษาเราก็รักษาผู้อื่นด้วยออให้ให้ความปลอดภัยแก่ผู้อื่นก็ให้ให้กับความปลอดภัยกับตัวเองด้วยเนี่ยพอรารักษาให้นะที่ห้าเนี่ยให้ความปลอดภัยแก่ชีวิตพอเราไม่ฆ่าชีวิตอื่นก็ปลอดภัยสัตว์อื่นก็ปลอดภัยไหมเนี่ยพอเราไม่ลักทรัพย์สินอื่นก็ปลอดภัยเห็นไหม ตัวเราก็ไม่มีโทษไม่ผิดกฎหมายใช่หไหมพ่ออื่นก็ไม่เดืดร้อนกับเราเที่ยวธรรมะพระเจ้ า, จามันลึกซึ้งละเอียดไงมันแก้ปัญหาไงเที่ทำธราก็เาูดรู้แจ้งโลกอ่ะตัดแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายแต่เราไม่ได้พิจารณาไงเราเอามาจั้งนุ่นไะเป็นที่พิธีกรรมไปไงเดี๋ยวว่าไม่ตึกตองหเห็นอนุภาพเองไงมันก็เลยรู้เ้าไปหมดอ่ะ นี่เือด้อนกันเรื่องเพื่อ น, นๆอย่างนี้แหละไม่เห็นนี่เราดูเห็นดูนะในทังคมเดืดอดร้วนเราไม่ไดไม่ไม่ยอมไปอะไรไปแก่ไม่ไมีที่อะไรแก้เลยเห็นไหมตจนตอกจนผมมากินยาตายขาดตัวตายกินอนไาเวลัน้อนไม่หลับกินยาน้อนหลับเห็นไหยท่านนี้ธรรมะมันดีเลิศประเสริฐทุก อ, อย่างเดี๋ยเรามาดูเบาหมดมองข้ามหมดหะเป็นก้องน้อยข้าไปหมดเนี่ยไปดูถูกคําสอนของผู้เล่นโลกผู้หมดกิเลสมาสอนเราน่ะ ถ้ารา้อยน้ำหนักอย่างที่อธิบายมาอย่างนี้นะมันแก้ปัญหาได้หมดเน่ยเรื่องมาบ้า บ, า, บาทั้งหลายที่เกิดขึ้นนีนตั้งกรมจะไม่เห็นเลยแต่ที่มันพเพราะอะไรเพราะมันดูเบาคําสอนพระเจ้าเหล่านี้จบประมาทคำสอนของผู้มรดกเชิงโลกทําก็เป็นพิธีกรรมไปไงมาเห็ ก, ก็มาก็มาตามเขาแต่วเองก็ไม่เข้าใจเนะื้อหาสาละมันก็เลยเป็นคนเที่เหลวไหลไม่มีที่พึ่งไปเนี่ยน่าจะได้ พอใช้ชีวิตไปอย่างนั้นเลยชีวิตหมดไปสิ้นไปวันเวลาไม่ยิบสีชั่วโมงเท่ากันมันก็ไม่รอเราอะ่ะมันใส่น้ำไหลไปแล้วไหลไปเลยหมดไปเลยอายุไขัไหวัยหนุ่มวัยาไปเลยมันก็หมดไปเลยเนี่ยแล้วใครมากบพระเจ้าเนี่ยจริงๆ ม, มีที่พึง่งมาปบัติตามนั้นจะไม่เห็นนะไม่เที่ยงไปตามปจริงอนะ่ดี๋ยวว่าความดีนะมันไปติดอยู่ในหัวใจเราเน่ะใครไม่เห็นเราเห็นใครไม่รู้เรารู้เนี่ยนึกเกิดไปอิ่มใจเบิกบานใจมีความสุขแฮปปี้เห็นไ้ย ถ้ามีแเรื่องกี่ไร่ก็ลงดูนึกกันไปดูที่เศ้าหมองทันทีเลยร้อนเป็นไฟขึ้นทันทีเลยเออศร้าหมองเนอะี่ยร้อนกันดีนั่นแนะรบขึ้นไปผิดภาวะใจนะนะั่นแหละอยู่ไม่สุขสบายสวิงสบายไปหมดเลยชีวิตไม่มีความหมายเลยนะเออเดีดูเถอะแต่นี่พอรู้ ก, กันไปละแแม่ไปเล่าใครก็ได้เบึกบานใจจะผ่านวันผ่านเดือนกี่วันกี่เดือนปีก็ยังมีนั่งยิ้มอยู่คนเดียวก็ได้มีความสุข เนี่ยคําสอนของผู้เลิศผู้ประเสริฐถ้าเราปฏิบัติอ่ะมันเป็นอริยทรัพย์ติดตัวเกินไว้ไปมาเกิดไปกับเราอย่างนั้นเนี่ยพอเปลี่ยนรูปเปลี่ยน ล, ปปล่างเป็นมรรคีตุลุกไปในภพภูมิดีๆเกิดมาคทำหน้าจาัหน้ากับรูปสวยลูกงามได้ลักษณะอีกไม่เป็นอภรรักษ์ขี่โกงวิการหุ้นหลวกตาบอดไม่ได้จัดจวนไม่มีดํามวด้อเหมอือนฐานเด็กปันเขาขาวก็ไม่มี ผิวพันธุ์ผงใสมดเหมือนพระจันทร์ในวันเป็นทิพหะา่ำนาจิตนำกาวไว้นั่นแหละอายุก็ยืนยาวตอายุขัยมีความสุขเนี่ยมีปัญญาเนี่ยมีกําลังกําลังกายกําลังทรัพย์ความร่ำลาบยศที่ได้มาในคนที่ได้ราบได้ยศไม่นะกได้บุญกุศลที่ก็ทํามาตั้งมานั่นแหละไม่แย่งไม่ริงไม่อิจฉาก็ไม่ได้หรอกเขาทํามากับเป็นของเขาอะไรที่ว่ากุศลธรรมาเห็นไหมหลวงพ่อพันบอก เทศมันเข้าใจเชี่ยวชาญวิธรรมไหมไม่อยากได้ก็ได้พอเราทํามาเป็นว่าอากุตระดาทำมาอยากได้ก็ไม่ได้เพราะไม่ได้ทํามาเนี่ยพอได้เวลาตายนี้มันภาพไปกุศลาไม่เห็นนะที่จริงเออไปพูดยืนยันเรื่องความดีความชั่วนี่แหละคนทํามาสร้างมาทั้งนั้นแหละเดี๋ยวเป็นภาษาก็พูดของพุทธเจ้าภาษาบาลีภาษามรตเราไม่ได้เรียนมาไม่ได้รู้ความแปลก็เลยไม่รู้ความหมายเลยไปคุยกันเถอะ พอกีนรอบกีนรอบสวดไปแล้วสามรอบก็กินข้าวต้มก็คุยยงเย้เอาในบุญแล้วกลับบ้านเละมันก็เลยอย่างงูเหมือนเดิมไม่ฉลาดเหมือนเดิมจะขาดรวามข้อลบด้วยทีนี้ไปเขาเปิดจาวัตยายกวางไม่ตั้งใจกังหรือข้อลบมันก็ไปคุยแข่งทีนี้กบเสียงเป็นกันเยอะไปนเนี่ยดังยันไม่ได้ยินอะไรเลยขาดพความข้อลบในธรรมะเ ข, ข, ข, ข, ข, อขอ า, าบบทำพระเจ้าประสงค์ในศาสนาที่ยงรับถือ คุยกันเจอน้าคุยไม่รูส้สนใจนี่จะได้เตือนเจ้าภาพเพจะไม่บอกไม่กล่าวเป็นกันเยอะอยู่แล่นี่นะนั้นนะเป็นอย่างนั้นนะมันเสื่อมขึ้นมายุคเสื่อมภาคก็เหมือนกันาไม่ปฏิบัติไม่เห็นเลยการมาพูดไปสอนไปต่างๆนั้นานานาข้ามียังกลับมาอีกอ่ะครูบาอาจารย์ผู้หมดกิเลสแล้วก็พูดต้องกับพระเจ้าตามเวทพระไตรปิฎก ที่พระเจ้ากล่าวสอนไว้ให้คามีแล้วไม่ลาแล้วหนะไปพักอยู่สนตนทรวา่าเนข่ยข้าวไปจำนั้นเลยพระรหันก็ไม่มาแล้วถ้าว่าพระหันยังมาเกิดยังอัศจรรย์อะไรเล่าอืมมันก็ค้า น, นในตัวอยู่แล้วพระเจ้าก็บอกแล้วไม่ถ้กุศลอาจารย์ปรมกวเดชก็ออกปากทุกค น, น้ไม่ว่าหญิงวจายชาติตายไม่มาแล้วไม่เข้าท้องใครแล้ว แล้วดันเสือมมานี่เป็นพระสงฆ์มาพูดว่ามานะคามีอย่างมาเกิดะอะรมาเกิดมากเกิดทำให้นคน จ, บ จ, บจนับสวเนี่คนดูถูกวงการสงฆ์เที่เนี่ยไม่ปฏิบัติจริงอะ่ะถ้าไปจริงไม่เป็นอย่า ง, งานั้นหรอกมันเป็นกันบ้ากันเรื่อยเยนะี่ยทั้งโยมทั้งพระเนะนี่ยเนี่ยวมาไม่ปฏิบัติอ่ะไปอา่านไปจํามานี่ไปพูดไปจําสีจุมะงูปลาเนี่ยวาดทั้งงูทั้งปลาเลยเนะี่ยเฮ้ใช่ไหย บลาก็ปางูก็งูแหละไม่แยกชัดเนี่ยบุญก็เป็นบุญทำบาปก็เป็นบาเนี่ยทำบุญก็ได้บุญทำบาปก็ได้บาปชัดเจนอยู่แล้วไม่ให็นทำบาปก็ได้บุญทำบุญก็ได้บาปไม่ไมีใครพาเข้าใจอย่างนั้นเจ้าพุธจึงจะได้จึงจะไม่งมงายจึงจะไม่สับสนในความเป็นสอนวิชนทั้งหลายนี่ใกล้จิดกับพระศาสนาได้พึ่งศาสนาแท้จริงในบนรปลายิมิต ทั้งควาเป็นอยู่ทั้งมันปลยชีวิตนู้นสัมภรยาพบนู้นเนะ่ยเราจะได้ไม่หลงทางไปพบหน้าจะหน้าก็ฉุกอีกนั่นเลยพระเจ้าเห็นไหมละ่ะจงเป็นห่วงพวกเราทั้งนั้นเนี่ยปรารถนาดีทั้งนั้นทั้งเป็นอยู่ในปัจจุบันก็เป็นห่วงให้ได้หลักเกณฑ์ตำบัติที่ควรได้ครับถ้าจะแล้วก็ไป่ล่วงหน้าก็ไม่ไม่ให้ไปตกต่ําในพรภูมินี่ไม่พึงปรารถนาอีกทั้งก็ป้องกันไว้เนี่ยสอนในหมดทุกอย่าง คนเจะจะไปทําอย่างนี้อีกก็สุดวิสัยเป็นกัต้องวางเฉยนั่แหละท่านก็บีกขาแล้กรรมของสัตว์ท่าพระเจ้าเนี่ยท่านไม่จักฐานะฐานะท่านไม่เหมือนพ่อแม่รักลูกพอรักลูกแล้วเนี่ยพ่อแม่รักลูกยังมีรค ก, กลัวหลงมีกิเลสพอลูกไปพุทธไปแต่ามแล้วนั่นก็กินไม่ได้นอะนไม่หลับทุกข์ใจกับลูกตกนรกกุมลูกเป็นห่วงเป็นใยคอยึดถือยึดมั่นไงไม่รู้จักฐานะฐานะตัวเองก็ยังมีรค ก, กลัวหลงกิเลสยังลาไม่ได้ ส่วนพระเจ้ารากินีได้หมดแล้วรู้จกาาักฐานะฐานะเมื่อเป็นไปไม่ได้แล้วเธอก็วบบ่างเฉยนะกรรมลูสัตว์อ่เป็นอย่งนี้เนี่ยพระเจ้ามันต่างกับพระเม่ทั้งหลายเลยนะในพายเข้าใจเถอะแตกต่างกันแท้ๆละ่ะถ้ารู้จักนะไม่เหมือนโลกทั่วไปแล้วคำสอนนี้นะ่ะไม่มีพิษมีภัยทั้งนั้นเนี่ยเป็นความจริงหมด ไม่มาหลอกลวงต้มตุนกินปั๊บกินปอดแล้วดอกไม่มีทโทษทาไมยังไม่สายเลยสะอาดบริสุทธิ์เนี่ยธรรมะนี่นะใครมาพระพฤติไปตามคําสอนนั่นนะการไปใจเราเปลี่ยนทัศน์เลยเป็นคนใหม่ขึ้นเลยละไม่มีทุกข์ไม่โทษไม่เบื่มีภัยมีแต่ความสุขความเจริญไปหน้าเรื่อยแหละที่มันไม่สุขไม่ไม่เจริญก็เพราะว่าผิดนั้นแหละเพราะนักปราชญ์ยิ่งมากล่าวไว้ไม่เห็นเลยใครมาเดินตามมรรคธรรมะทิฏฐินั้นนะเนี่ยอยาเพิ่งอยากทุกข์ทังปวงได้ เห็สัตว์าังวิสุทธิยส่วนคนไปทางมิจฉาทิฏฐิไม่เห็นเลเป็นเรื่องใหญ่เราไม่เราไม่เห็นความช่วยอะไรใดๆที่มาทำบุคคลพวกนั้นให้เร็วสามตําช้าเท่ากับมิจฉาทิฏฐิไม่เนี่ยพราะเพราะมิจฉาทิฏฐิจิตเห็นผิดตอนนั้นเนี่ยคาพูดก็ผิดเห็นไหมการกระทําก็ผิดเห็นไผิดหมดสามเลยสอย่างเนี่ยกายใจใจมือหมดเลยเป็นโทษร้ายเนี่ยเพราะนั้นพระเจ้าจึงต้องมาแก้ แก่ก็ต้องต้องทําอะไรอ่ะก็ต้องมาเทศนี่แหลยเทศก็คือสอนม า, มาเทศกับมาสอนบอกนี่แหละทําในเรื่องอถูกทางทางกายใจเนี่ยเพราะมันทําแล้วมันกรรมเหล่านั้นเป็นสมบัติของตนไงกรรมมันจะโกมีไหมเนะกรรมเป็นของตนกรรมะดยดากรรมะมันโตกรรมะเป็นศรานาเป็นผู้ติดตามให้ผลไมนะ่เห็นเนอต้องพิจารณาทุกวันแต่ไม่ต้องพิจารณาทุกวันเนาะ ก็เห็ราเห็นชอบไงถ้าไม่เห็นชอบมันก็ไม่ละพยศไม่ละความดื้อว่ายากสอนยากไงไม่สอนง่ายไงนี่แหละคนมันสอนง่ายมันก็พูดกันง่ายมันก็เข้าใจง่ายมันก็ไม่ลําบากถ้าไพอยากสอนยากมันรู้ว่าใครดื้อด้านเนี่ยมือน่ยถือทิฏฐิมานานนั้นไว้แล้วไม่ยอมละยอมวางมันก็เป็นพิษเป็นไปกับตัวเองกันเลยส่วนใครละเนี่คนนั้นก็เบากายเบาใจก็ไม่มีโทษมาเปลี่ยนผ่านหรอก มันเรื่องจริงมันอยู่ต่อหน้าต่อตา อ, อ, อยู่แล้วอะไม่ได้หลอกลวงต้มตุ๋นอะไรกันเดี๋พราะเราไม่เอาอย่างนี้ไงแล้วนิยอมแบบเถือกันนะ่ะอที่เหลวง ป, ปู่ในศักดนะิ์สิทธิ์นั่นนะก็เหว่กันปอยนึกว่าจะดีนะมันไม่ดีหรอกถ้าเราไม่ทําดีอนอะ่ะเดีของท่านท่านดีท่านเลิกแล้วนะท่านฝึกตนมาท่านแก้ไขมานี่เราปลูกพั้นพูดเสมอเฮ็ดคือเพิ่นเดี๋ยเฮ็ดคือเพิ่นไปคือเพิ่นเดีไปคือเพิ่นด้วยนะ ทำเหมือนจะไม่เหมือนเลยเนี่ยไีเป็นอย่างนี้ท่านท่านตายอย่างเงี้ยท่านท่านทำมาจนหมดกิเลสแล้วันเลิศมันได้ทื่อเสียงเรียงนามมันนี่แหละเราก็อย่าไปไปทำตามท่านนั่นเองนะเห็นเบื้องต้นไม่รู้ท่านทำมาอย่างไงนี่มาเป็นอย่างนี้แ่ะเราไม่ได้ไปจำเบื้องต้นท่านนี้สิไปจับ่านายท่านนี่อืมไปคือเพื่อนเดียวไปคือเพื่อนะทำเหมือนไม่เหมือนเนี่อไปคือเพื่อนเพื่อนไปสัมณีผานี่ยัไปนกมิจียังไม่รู้หละ นั่ไม่หมดกิเลสดิ อ, อ้นี่แหละเป็นกันเยอะในะเดี๋ยวนี้นะนิย ม, มวัจนลำเถือนนะไม่ระลึกถึงคําสอนที่เราเลิศนี่เหล่ไปดูเบาคนนําคสอนนุ่นนะคําสอนนี่น่ยภัยประเสริฐเลิศทาให้เราเจีมแจ้งแล้วก็อเอกกลายใจไปทํำตามนั้นแล้วก็เป็นตมบัตของเราแล้วใครกินก็รอิ่มใครทำใครได้อะ่ะอย่าไปหวังว่า คนอื่นยังมาทำให้เราได้ไม่ได้ครูบาอาจารย์ไม่เห็นหลปู่มั่นสอนแล้วไม่ยุคปัจจุบันเนี่ยหลวงตาก็ไปเดินยังก้มนั่งจน ก, ก้อนแตกก้อนพองนู่นน่ะหลวงปู่แหวนหลงปู่อะไรั้งหลายแหนดูหลวงปู่ชาไปดูนะท่านลาวัตรต่ะองค์อะหลวงปู่จวนอะไม่เห็นเลอืมเอากระดูกช้างมาแหวนคลามาผมนุ้าายไล่ใส่มนเลือดพิจนากระดูกอยู่นั่นเนี่ยเขาก็ต้องทำทั้งนั้นเลยไม่กำหรูปหรอกรักขอกันได้เท่าเรได้ จานก็ไม่บวชนาย่างหรอกก็ใช้ชีวิตไปโยมเนี่ยถึงเวลาก็มาขอเลยแล้วเวฮ้แต่จริงๆมันไม่ได้ไงใครทาใครได้ใครกินใครอิ่มไงเนี่ยมันตร้ตรงอย่างนี้อยู่แล้วใครความเห็นเราว่มันถูกไว้น่ะงั้เหลิวไหลน่องจากพูดอะทิ้งหลักการเนี่ยที่มันง่ายง่ายอย่างเงี้ยเนี่ยจะไปเอาอย่างอื่นลๆมลม้มแรงแรงไปนะ่ะ ถ้าจัหลักนี้แล้วไม่มีใครยังไม่ได้ประโยชน์ไม่ได้สาระหรอกต้องได้ประโยชน์ได้สาระแ น, น่นอนอันนี้หลักนี้มันถูกอยู่แล้วพระพเจ้าไม่เน้นไม่ย้ำหรอกเพราะที่เป็นสายทางคนต้องเข้าอยู่ในทางมันยังจะปลอดภัยมันยังถึงที่หมายมันทางรถยนต์เนี่ยเท่าน้องทางก็ขับรถขังเรือยไปมุ่นป่ามันก็หนามเกาะเกี่ยวบาดเจ็บสาหัสเนี่ไม่ถึงที่หมายหรอกเลื่อนจ้าไม่ถึงที่หมายหรอก ว่ไม่มีทางไปอะจะไปได้ไงเป็นเป็นป่าเป็นนกเป็นพงมันเกาะน้ําเกาะเกะี่ยวถ้าเป็นต่างระดับเรียบมันดีเดินไปไม่หยุดไม่ถอยก็ถึงเนี่ยอย่าลากความเพียนให้อดทนนั่นแหละหลักทํามยิงมาให้มีความเปลียนว่าอดทนทำความดีก็ไม่ใช่ว่าจะสาเร็จรูปได้มาง่ายๆอก็ต้องมีหลักหมดทํารมเหล่านี้เข้าไปเสริมเป็นตบะเดจะาไม่ใช่ต้องคันติต้องมาก่อนแต่แล้วก็ความเพียนจอบ เพียงอะไรละกิเลสที่มีอยู่แล้วกิเลตที่ยังไม่เกิดยังมันเกิดความดียังไม่เกิดทําให้เกิดให้มีขึ้นความดีเกิดขึ้นแล้วรักษา ย, ยังมันเสื่อมไม่เห็นดนะ้วยถ้าก็อยากขยายความให้ฟังหมดไม่จะพูดเปลาๆไปแล้วไม่ขยายความในข้อเดียวนะั้นเน่ยขยายมาทั้งสี่ข้อเห็นไหมความเพียนชอบเนะ่ลนยลักษณะอย่างไรถ้าขยายความไม่ฟังหมดคิดดูนะให้ความแจม่มแจ้งกับเรานะ่ะไม่ไม่มีปิดบงนะังเนี่ยเปิดเผย ห, หมดทุกอย่าง พอ ไ, ได้ผ่านเข้าใจอย่างนั้นชาวพุทธจึงจะไม่งมงารจึงไม่ศิษยศาสตร์แล้วเรามันนับถืออย่างเงี้ยเราก็จะถึงทางอันเลิศอันประเสริฐแน่นอนเนี่ยเนี่ยเพราะมันมีอยู่แล้วมีอยู่จริงครูบาอาจารย์ทั้งหลายเลยท่านก็เดินมาตามนี้หละอย่าไปคิดหวังว่าจะมีทางรัดทางเล็ดใครจะมาช่วยเราให้ถึงฟังถึงผ่านได้หรืออยู่ไปนานแล้วจีเรจะหมดจากขั้วหัวใจเราไปเองเลยจะไปคิดจะไปฝัน มันผลไม้อ่ะได้มันสุกมันจะหลุดจากขั้วเมื่อกี้เลยมันอยู่ไปนานแะล้ไม่ให้หลุดจากขั้วมันผลไม้อ่ะเป็นไปไม่ได้ไหมต้องไปชําระแก้ไขอย่างที่ว่านี่แหละมันยังจะหลุดไปจากหัวใจเรานะี่ยไม่จะคิดว่าเออผลไม้แก่ไปเนี่มันก็หลุดไปจากขั้วธรรมชาติมาถึงเงี้ไม่มีทางได้ไม่ใช่คําตัดคำสอนพระเจ้าอย่างนั้นนี่อย่ามีความเห็นผิดไปคิดไปอย่างนั้นนี่ ที่เด็ดไปอยู่เปน็นนานมันจะหลุดจากข้อเหมือนผลไม้ไม่มีมิแต่ต้องชําระนี่ตามที่ทางเดือนที่พันวางไว้เป็นทางเอกนี่แหละมันยังอย่าถึงที่หมายได้อ่ะให้ปผาใจอย่างนั้นจึงกอ่อยุติการปฏิบัติธรรมะเหตุไรนี้เราดังสงบจนถึงเวลามไปเนี่ยถึงแล้วบอกถึงบุรีแล้วเนาะเวลาออกบุดีนี่ชั่วโมงนึงแป๊บเดียวเฮรยนั่นแหละให้เผาใจเยธรรมะพระเจ้าเนี่ย มีอยู่แล้วนี่นะยไปทําเถอะปฏิบัติเถอะเที่ยมาพูดนี่ก็จากประสบการณ์ตัวเองเนี่แหละมาเข้าใจธรรมะคําสอนก็เกิดจาก ล, ล้มปูพัดนั่นแหละจึงได้มาอยู่ในล่มกาธรรมพัดจนถึงวันนี้นะพราเป็นคนอยู่ในบ้านในเมืองก็เป็นคนสนุกไม่คิดว่าจะมาอยู่ในป่าในดงเรื่องมาได้อย่างนี้นะเขาจะไม่ไปเห็นสัจธรรมนั้นเป็นเครื่องสักีบพยานรับรองแล้วมันจะยอมถวายชีวิตในล่มกาธรรมพัสหรือมันก็น่าคิดเหมือนกันเนี่ย เพราะว่ามันไปเห็นว่ามันมีอยู่จริงไงอะไรก็ไม่เคยเจอมาก่อนมันเลิศเท่าที่เราเห็นเจอมานี้เนะ่ะเออในชีวิตที่ผ่านมาที่เกี่ยวข้องมานะสัตส์ธรรมด์ได้มาก็กินต่อไปหายอยู่อย่างนั้นแหล่จา ก, กี่รุ่นกี่คราวก็เป็นอยู่นั้นแหละไม่เห็นวิเศษวิจุโธ่แต่พอมาเห็นอันนี้นนโอ้โมันสะใจเหลือเกินนี่มันมีอยู่แล้วเนี่ยเออมีอยู่แล้วสะใจเนีย่ยเรื่องนี้สะใจ น, นะ ถ้าใครเจอในทบเลยเราจะไม่ลืมล่ะจะไม่ลืมมันจะตั้งมั่นเลยแหละเป็นอาจารย์สัตยาฝังแน่นเลยหล่ะไม่ว่าชนชาติไหนแหละถ้ามาเจอความสงบของที่อาจารย์ุจิตที่มันมีใ่ตัวเราเนี่แหละไม่อยู่นอกเมฆนอกหมอกภายนอกนะอยู่ในใจเรานี่แหละแต่ว่ามันขาดการปฏิบัติพรจริงว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวเทนะปริยัติคาสอนปฏิบัติเนี่ยระบบพ้องตรงนี้ถ้าเราทำเนี้มันถึงปฏิเวทผลขึ้นมาเราเป็นสกีพยานเนี่ยไม่หนีจากหลักนี้เลย ให้ปราศจากอย่างนั้นเนอะเอาโอเคนี่ละก็ก็ลังทำกุฏิอยู่นะทำกุฏิเองทำกุฏิอยู่ ยุบเงิได้ขยจะร่วมสร้างมันก็ติดเลยมันวิหารรัตามัเป็นของเลือนอยู่แล้วที่ไม่เนียนี่นะเนี่ยนะพระเราเนี่ยถ้ามีสินธรรมไม่กล้าเขไม่ปานาไม่มาถามไม่ไม่บอกหรอกถ้าทําอะไรนี้มาถามก็ยังบอกทํำไปงี้ไปงี้ไปงี้แหลยไม่มาขอไม่มาโชวเชี่ยวก็ไม่ลง แล้วแต่ก็รูุคติดรู้ก็ข่าวก็ทําไปอย่างนี้นะเราไม่ได้มาขอมาให้เดือดร้อนรบ ก, กลัวให้เดือดร้อนหรอกเพราะว่าทําไปตามเป็นเป็นได้ในช่วงคาพันศ า, านี้ท่านใดต้องการร่วมทําบุญเสีสนะนะครับบํารุงพระพุทธนาทางวัดทาอาจารย์ก็ได้มีการสร้างกัตินะครับเช่นทางชลปรมพฤติเองก็ไปที่วัดท่าอาจารย์อยู่หลายครั้งนะครับก็สภาพก็ยังเป็นป่าอยู่มากครับ เกีกบการสร้างกติให้เหมาะสมกับสมณะครับก็ท่านใดที่ต้องการที่จะร่วมทาบุญกับท่านพระอาจารย์ในวันนี้ก็ทําบุญกันได้ตามศรัทธานะครับเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะช่วยรวบรวมให้นะครับวิหรารทานเป็นของเลิศอยู่แล้วตางที่ตังหุนหั่งปฏิอันตินั่นแหละเออที่หลบเดดหลบฝนพระมาในจุลีิสี่ ไอกุฏิเก่าๆนะี่ยนานมันไดไปอยู่ตั้งแต่บุกเบิกวัดตั้สามสี่สิปีแล้วเนะ่ะก็บุรณาบางันกับบุรณะได้อยู่บางันก็ทําขึ้นใหม่เอากุฏิเกวยนเอามาจากหลวงปู่ที่วัดโน้นจากบุรีรัําุนที่ไปดูแลวัดให้ท่านนี่ที่เขาน้อยอเอามาส่งหลังที่หลังนี่ยมันก็ซื้อมแล้วก็ย้ายมาแล้วก็ทำมุงเปลี่ยนใหม่อะไรเงี้ยแล้ตรงนั้นก็เลยทากุฏิขึ้นมาแทน กำลังทำอยู่ถ้าใครจะร่วมก็ได้ยินดีแต่ว่าไม่มาถามก็ไม่บอกนะที่มาถามก็จะบอกถวว่าเป็นผ้า็แค่ขี้ขอไม่ได้เลยผ้าขี้ขอเห็นผ้าขี้ขอนะีเห็นหน้าแะ้วเบื่อเห็นหผ้าเนี่ยแพงอ่ะค้าของกัอนอยู่เรื่อย ไ, ไม่ได้เลย่บวดมาไม่ได้มา เอาอย่างที่ว่านี่แหละไม่ได้มาหาโปกัรัพหาไอยาทรัพนั่นแหละทํำยังไงจิตมันวีราค้านู่นแหละเป้าหมายชีวิตพวกเราก็เหมือนกันนี่ยพระเจ้าก็เหมือ น, นกันกนะเห็นไหมเวลาท่านเหมือาคำไปถามเนี่ยเราไม่บวชไม่ให้ใครมากราบมาไหว้เราบวชเพื่อวิลาคะพระเจ้าเนี่ย บวมาเนี่ยไม่ใช่คนมาพุดธทางนราจารย์มีแมว่ากลาวมาไหว้ท่านพูดหน้าฟังนะท่านบวชมาเนี่ยชลามาเนี่ยเพื่อวิราฆานี่มุ่งไปจิตเป็นวิราฆานุนให้หมดกิเลสโน่นเน่ะเอาหมายชีวิตอะไม่ต้องการเกิดอีกแล้วนะ่ยพอเวีนว่า้ตายเกิดจะดีแค่ไหนยัเป็นกษระสับก็มันก็แก่เจ็บตายอะไรเงี้ยมันก็ต้องบริหารคนก็มีกิเลสโลกวุ่นหลงอย่างเงี้ยเราด้วยลูกไหนทำไไหน มันก็เป็นอยู่ในอำนาจของกิเลสลบกดบหลงเนี่ยไมหนหนีไปได้สไมัยไหนถ้ากิเลสมันมันจเจริญเห็นไหมพวกเราทำบ้าเสือมันเราก็จะวุ่นว้เดือดร้อนนะดูนะในเมืองไทยเราก็ดูนะถ้าตรงไหนใครพาคนิยมอกุศลมากก็เดือดร้อนเน่ยถ้าสมัยไหนผู้ปกครองตั้งอยู่ในสินนิานมันร่มเย็นนัปลาสุขมังมีที่ถุกการกินการอยู่การเข้ามาความสะดวกมีความสุข แต่ว่ามีตัง้งในศีลธรรมกอัตคัดขัดจนไปหมดเนี่ยเห็นไหมยุ่งยากไปหมดใครก็บนไปทุกทิศทุกทางไปหมดเนี่ยมันมีอยู่ทุกทุกยุคทุกสมัยเนี่ยเรื่องเหล่านี้นะเพราะอะไรเพราะกิเลสมันไม่ถูกเอาออกไงถ้ากัดโลกเกิดมามันก็มีโรคก็หลงอย่างเงี้ยหนักมากเบามากน้อยแต่ในแต่ะท่านน่ะมีหนักมีเบาอยู่ตลอดเวลาอย่างเงี้ย แล้วจะตลอดไปอย่างเงี้ยรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งมารุ่นหนึ่งไปรุ่นมาอย่างเงี้ยไม่เคยว่างจากโลกหรอกท่านโลกนะเพราะว้าใครมาพบธรรมะไว้เจ้าท่านอย่ว่าพบได้ยากไงของยากมันยังมีอยู่ในโลกสี่อย่างกิโจโบุพุทธานุ ป, ปาโดเห็นไหมการเกิดขึ้นของพระเจ้าเกิดขึ้นได้ยากได้ยากเลยท่านโลกเกิดตายทุกวันเนะี่ยพระเจ้าองค์หนึ่งเนี่ยสองพันกว่าปีมันก็ยังเงียบจีอยู่ไลยนะใครจะมาอุปโลกเป็นน้องใหม่ก็ไม่ได้ กิจโชวมนุษย์สติปราโภการเกิดขึ้นเป็นมนุษย์ษยเกิดขึ้นได้ยากนะไม่เกิดง่ายนะเนี่ยคาสอนพระเจ้านะมันเหล่าตาบอดนะร้อยปีนําพุทธนะว่าจะมาพุทในรวงยากนั่นพอดีอะถึงได้เกิดเป็นมนุษย์ไอกิจช่างสัตธรรมธรมเดียสนงการได้ยินเสียงสัจธรรมอะเป็นของยากไม่ใช่จะทําไม่มีอะมีอยู่เห็นไหม มีอยู่ที่อธิบายมีอยู่ตลอดอย่าเงี้ยแต่ว่าไม่มีรู้รู้เข้าใจมาชี้แจงแสดงในความเรื่องมันเรื่องไกลตัวที่จริงมันอยู่ในเรื่องในตัวทั้งหมดันนี้จังทุกของนัตตาในความแตกสุภชาความเปลี่ยนแปลงต่างๆอะไรเงี้ยมันก็มีอยู่ตลอดไม่เห็นแต่ว่าคนมายื่นมาเราเข้าใจผิดนะเขเข้าใจว่ามันมาจากอื่นอย่างเงี้นี่ว่าจะที่ติดตั้งตั้งอยู่อย่างเงี้ยเป็นธรรมนิยามเป็นธรรมนิยมอย่างเงี้ย เป็นธาตุของอยู่อย่างเงี้ยไม่เห็นนะธไรมนิยมก็เหมือนเปรียบเทียบเหมือนก็บอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนูดนน่ดูฝนฝนตกนู่หนาวหนาดูร้อนร้อนใครไปแต่งมันเป็นนะท่านอย่างว่ากรมอุตุนิยมวิทยาไหมเนี่ยทำก็ธรรมนิยามนี่แหละก็เป็นนิยมอนิยามมปนิยมมันเปลี่ยนจากอาเป็นอาเนี่ยธรรมนิยมอะอันนี้จังตังลกลางตาตั้งเป็นอยู่อย่างนี้ยแต่ไหนแต่อะไร ม, มาจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามไม่เห็นนะท่านอย่างว่าสามัญลักษณะ เป็นสามันเป็นเพื่อนเลยมีความเปลี่ยนแปลงทนอยู่ไม่ได้ไม่อยู่ในวัคบบรรจัยเห็นไหมมันมีลักษณะโลกจึงมีบัญญัติมาใส่อย่างนอันนี้อานิจจังอันนี้ทุกขังทนอยู่ไม่ได้อันนี้อนัตตาเห็นไม่ค่อยมีบัญญัติขึ้นมาพระตาแต่ว่าอานิจจังอันนี้ัตุกขังอนี้ตาเห็นไหมอันนี้ไม่เที่ยงอันนี้ทนอยู่ไม่ได้อันนี้ไม่อยู่ในมวัคบบรรจัอะไรอย่างเงี้ยค่อยมาแปลออกมาโลกค่อยมีความหมายขึ้นมาเป็นอยู่ขยันรู้ก็ตามไม่รู้ทำไมมันแบนอยู่ข้ามันอยู่กัน เรื่องเงี้ยทีพเจ้าเกิดขึ้นแนละ้วยังมาชี้แจงมาแสดงมาบัญญัติมาเปิดเผยของที่ลุมลึกนี้ให้รู้ได้เข้าใจได้ไหมนะพระเจ้าพระเจ้ามาสร้างขึ้นมาทําขึ้นไม่ใช่มันมีอยู่แล้วเพรานะนั้นพระเจ้ า, าเอาอเนยยัตถาภูตังยาณนรัตนังให้มารู้มาเห็นตามความเป็นจริงไหมไม่ได้ไปทําขึ้นมามารู้มาเห็นตามความเป็นจริงท่านเป็นอยู่แล้วนะ่ะธรรมะแบบนี้นะอืม อแก่ก็ดีเจ็บก็ดีตายก็ดีนี่เป็นธรรมดาให้พิจารณาเป็นธรรมดาแต่ถ้าเราไม่พิจารณาเราก็เสีย อ, อกเสียใจทอนอยู่ไม่ได้รับไม่ได้รลอกง่ายกิโมโปก็เสียจิตเสียใจไปต่างๆนานาถ้าถ้าเราพิจารณานี้ก็มีสติธรรมดาของโลกมันจะเป็นอย่างนี้ควรจัดการอย่างได้ทําไปแต่มีสติไม่ทุกข์โอเคอย่างเง้ยหไหมใคก็เป็นพระเจ้าก็ยังต้องแตกสลายแต่ ใช่ไหมเหอจ้วันนี้พาก็จิตท่านหลุดฝนท่านไม่มีทุกขเวทนาสุขเวทนาในจิตท่านเป็นกธรรมชาติไงแต่จิตของมนุษย์มันมีสุขมีทุกขธรรมชาติอันนี้มันเกิดจากอจิยธรรมะท่านจะเบื่อหน่ายไงไอ้นี่ไป็นักธรรมชาติเนาคงเส้นคงวายอยู่นั่นไม่มีเกิดไม่ดับยังเป็นอมตตาไงจิตเป็นธรรมชาติคงที่อยู่นั้นเนไงยังไม่มีสุขเวทนาทุกขเวทนาแบบโลกไง ในโอกาสต่อไปขอโอกาสถวายพระไตรนะครับแล้าก็จตุปัจจัยขอให้ทุกท่านได้กล่าวคำถวายในภาคแท่ยงนี้นะครับที่ทุกท่านได้ร่วมทำบุญกันมาเป็นพระใจก็ดีจดตุปัจจัพยพยธทานก็ดีนะครับนะโมตัสสะภะควะโตอระหโตสัมมาสัมพุทธัสสะ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปตัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสมมาสมปตัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมายังพันเตติจิวารานีสะปริวารานิ สีลวันตัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสีลวาอิมานิติจีวรานิฉปาริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังสีคารตังทิตายะสุขายะ ข้าแต่ท่านผู้ทรงศีลผูเจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้มถวายข้าตรจีวรกัดทั้งของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แต่ท่านผู้ทรงศีลขอท่านผู้ทรงศีลโปรดรับข้าไตรจีวร กับทั้งของใ บ, างาางงบวานทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อให้เป็นประโยชน์ <ไ whatever. S 1> และความสุขความเจริญแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายลลเพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้ากับเปิดสัจธรรมนาคมแห่งชาติจํากัดมหาชน ขอแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลแด่ปิยชนญาติทั้งหลายอันมีบิดามารดาครูปชาอาจารย์พร้อมทั้งเทพพยดาเจ้าทั้งหลายเจ้ากรรนายเวรสัต์ประสัตทั้งหลายและด้วยผลบุญกุศลในครั้งนี้ ขอให้เป็นอุปนิสัยให้เป็นอุปนิสัยเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานด้วยเธิได้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานดยเถอเ ทุกนิตย์จะวดสังขาราอุปปะดาเมยธรรมวินุอุปชิตตาวานิรรจนติเตสังวุปะสมุสุขโอ ส, สเวสัตตามรันดิจามริงสุจามริสเ ร, รตเทวหังมริสามินัติเมเอตสังสยมหลรับพอนี่วันนี้ย น, นยั่งใจโอมีคงเยอะพัดลมหรอ โอ้ดีเอาเพิ่มเย็นเนอนะเอาอย่ามึงไปเนอะจะให้พลจะให้มงคลจักรวาลใหญ่วะนี้มงคลจักรวาลใหญ่เลยวะออ เรานทำมาแสงสว่างนะั้นจยากขุ่อยากขูอุปานิอยกขูอุาปานิปัญญาอปานิปัญญาณปานิวิจารอาปิอาโลโกโดดนะโอุปานิแสงสว่างนัมาจากเหียบร้อยทีนี้กุทิกรณาผลไปเลยตั้งใจนะเ <c oughs> ก่งก็ ไปวาระนใจทั้งด้วยทั้งดีททดีไม่ว่าประท่าดีรู้ทาเนาดีรู้ทาไม่เนาดีวนทธิยุทาทาหขอมาฟังตใจขอได้ไมอพวกเธอได้เข้ามา ขอกรรมกรรมเถอว่าในประมาทพลาดพันน้งในกายก็ดีในวจาก็ดีในใจก็ดีทั้งตอนหน้าและรับหลังกร ร, าารมรรไม่เป็นบาปนั้นพระอาจารย์พร้อมในอุสิกรรมในพวกเธอทั้งหลายไม่เป็นบาปเป็นเวียนเป็นไปที่กันแกันต่อไป หรือว่าพระอาจารย์ในประมาทพวกเธอทั้งหลายในกายก็ดีในวาจาก็ดีในใจก็ดีทั้งต่อน้าต่ำหลังอันเป็นบาปนั้นขอใพวกเธอจะปัิยาโทษในพระอาจารย์ด้วยเพื่อความสํารวมในธรรมวินัยนี้ต่อไปเอวังโหตุเอวังโอตุโยจะปเบปมัชจิตวาปัสสะโซนะปมัชติโซมังโลกังมปพาเซเตียปมุตโตวัจจัิมายศสะปาปังกตังกมังกุเตเลนปะใหยติโซมังโลกังมปพาเสเตียปมุตโตวัจจัิมาอะพิวาด นาซีริสนิตังวุธาปิจายโนยจตารโอธรรมาวันติอายุวันโนสุขงงังภาลังรับป้อนดูนี่ย ทาวริวะฮาปุราปริโปเรนติสะขละเอวเมวิตตวินนังเปตานังุปกปเตอจิตังมิริตังตุมหงิปะเมวะตมิตโตสเพบรณสังกปายันโทปนรโอยาธามณิโชติละโสยาธาสเพติโยวิวัจันโตสบะโรโขวินาสตุมต พววัวันตรายโสุขีธกายุยโกภาวอภิวาตนเสลิสนิจังวุฒาปัญญูจด ดารุธรรมะวัฏฐานที่อนุวันโนสุขังภาลังสิริทิติมติเตยจวยชัยเสติมาเหติมหกุณาริมิตาปุญญาที่กรัสสัพพันตรายะนิวาเรนสมัติทัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาจ อัมพตตาตวังติงสะมหุริสระกขานุพาเวนะสิทธยานุพยัญชนะนุพาเวนะอัตโตตตาสตมังคลานุพาเวนะฉับพันนารังสียานุพาเวนะเกตุมาลานุพาเวนะตสปาระมิตานุพาเว นุตัสสะปมิตานุภาเวนะตัสสะปัมัตถาปัมิตานุภาเวนะเสละสมาธิปัญญานุภาเวนะพุทธานุภาเวนะธรมานุภาเวนะสังานุภาพเวนะเตจนุภาเวนะอินทานุภาเวนะพล พาเวนะเยยธรมานุพาเวนะจตุราเสติสังสัมมันธานุพาเวนะนวโลกุตตะลธรรมนุพาเวนะอทังกกมงานุพาเวนะอนทสสมาปัตติานุพาเวนะจลพิญานุพาเวนะจตุสัตจะนา นุภาเวนะทัสสะภะรยานะนุภาเวนะสัมพันยุตยานานุภาเวนะเมตตาการุณามุติตาอุเปกขานุภาเวนะสัมภะปริตตานุภาเวนะรัตนาตายสรณานุภาเวนะตุเอหองสับพระโรกะโสกุปตะวะโตกะโทมนันสุปายา ตจวินนสันตุสัันตรายาปิวินาสันตุสัมปสังกัปปตุยหังสิมิจันตุทีกายุตตาตุยหังโหตุสทะวสตชีเวนสังกิโกโหตุสพบพาอกาจะพตะเวนปุเวมิกลามหาสมุทรทารักกาเทวตาสะาตุม เมอนุรักขันโตภวทุสามังกาังรักขันโุสาพาเทวตาสัพพระพุทธานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวทุสามังกลังรักขันโุสาพาเทวตาสัพพระธรรมานุภาเวนัสธาโสติภวันตุเตภวท ตุสะพะมังกะลังราภันตุสะพระเทวตาสะพังฆานุภาเวนัสทาโสติภาวันโตเตาตู สำประจิตสามินาสองสิโมพระมจฉามหาเทวาสเบยาก้าปรายันติพระมจฉามหาเทวาพิราพาพวันตุเตมหาปุญโยมหาราโภพวันตุเตมิเตมติพุทธะมะอุณโมพุทธยะวิระดะยวินัโกไดยังวิระอิงสาวิรดาสีวิรดาสาวิระทิยบุรุษสัมมนีมามะบุรุษสวาหมสามิจามิเพ่งเพ่งป่าปาเลือเลือกินให้บกจกยงให้ลงองค์อุอามุมะโม มาให้เงินให้ทองนี้มาอยาได้ขาดจะได้บกเกินหาจะได้ขาดเกินวังสิางพระเลังอย่างดีคือเกล้เงินกําแกวจะได้ขาดเกินถุงให้เจ้างงใส่องทองในเบาเงินทองไหลยก็เต็มกระเป๋อึงตึงเด้อ